อาจารย์ครับการรำลึกสารสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ครับอจเจยลธนคุณหมอท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์วันนี้วันที่หนึ่งมกราเลยครับตรงกับวิสาชนาธรรมพอดีครับก็เลยขอพอรพระอาจารย์ปีใหม่ด้วยครับพวกเราเข้ามารอกันเจ็ดร้ยหกสิบหกคนแล้ครับอาจารย์ครับขึ้นดีครับผมอาจารย์ครับวันนี้วิดท่านบินทบทัต คนคนเยอะเป็นประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมครับอาจารย์กเท่าที่เคยบปนธรบานมาหนึ่งพันสี่หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบคนสถิติเดอร์ลุสประมาณพั <c oughs> นสองพันสองนสถิติใหม่พันสี่รอยหกสิบเมืวานนี้ก็เจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดแล้ววันก่อนหน้านั้นก็ห้าร้ยกห้าร้อยแปดสิบ สามวันนี่ขัดโบกมาครับวันนี้แต่ถ้าปกติก็วันละสองร้อยล้วปกติก็วันละสองร้อยบวกลบนิดหน่อยครับอาจารย์ครับวันนี้ผมเดินตามมีรถกระบะเจ็ดคันครับเต็มคันหมดเลยครับช่วงช่วงยุคแรกแรกที่เป็นบาลก็วันละแปดสิบอ๋อคือระบาดครับก็ระบาดตามระดับ ก็เป็นไปตามตามเหตุการณ์รสภาพยังไม่มีมีเสือเผยแผ่คนเข้าถึงได้ดูจักกันดูซีบที่อยูมาว่าอยู่ที่ไหนมีแผนที่มีไรงบอกมีตารางบอกทุกอย่างคนก็เลยสามารถวางแผนได้เวลาที่ผ่านมาทางนี้ก็จะแวะมาใช้บาทกัน ว น, นี้ดูเหมือนคนทุกคนตั้งใจจะมากันเต็มเลยผมว่าอาจาไม่ใช่คนผ่านเลยนะครับวันนี้ครับวันนี้ตั้งใจแบบเต็มเลยส่วนใหญ่ก็เป็นคนจากต่างถิน่นเนื้อไม่ใช่คนพื้นที่คนพื้นที่ก็มีแต่คนส่วนใหญ่ก็มาจากต่างจังหวัดขึ้นมาทุก <c oughs> ท, ท, ทุกภาคหนึ <c oughs> หน่นเหลือใต้มาหมดเลยจากยะลาก็มีมาชายรมีมาชัยยะลาก็ฮ <c oughs> <c oughs> ครับอาจารครับ เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ครับอาจารย์ครับผมคิดว่าทุกคนรวมทั้งตัวผมเองก็มีความตั้งใจจะจะตั้งเป้าหมายอธิษฐานขอพรพระรัตนตรัตยครับวันนี้ก็เลยขอโอกาสพระอาจารย์ว่าพวกเราจะอธิษฐานจะขอพรวันปีใหม่อย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จจริงๆจังๆในปีนี้ครับพระอาจารย์ครับขอความเมตตาครับคือสิ่งที่เราต้องการกันก็คือความสุขความเจริญนะแล้วสิ่งที่เราไม่ต้องการก็กคือความทุกข์ ความเสื่อมเสียต่างๆทีนี้สิ่งที่เราต้องการนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครให้เราได้แม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธธรรมประสงค์นี้ท่านก็ให้กับเราไม่ได้แต่สิ่งที่ท่านให้กับเราได้ก็คือวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้คือความสุขความเจริญความแค็วแกร่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทลายทั้งปวง อันนี้ท่านท่านสอนวิธีได้แต่ท่านไม่สามารถให้กับเราได้ผลที่เราต้องการเราต้องเป็นผู้สร้างเหตุขึ้นมาเหตุที่จะทำให้เราได้ความสุขคราบจเจริญเหมือนกับที่พระุทธเจา้าและพระสาวกทั้งหลายได้ก็คือการสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆนี่นี่คือเป็สิ่งที่เราต้องทากัน อัตตาหิอัตโนนาโตนเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครสามารถสร้างบุญบรารมีให้แทนเราได้พ่อแม่พี่น้องใครก็ตามทำแทนกันไม่ได้ต้องทำมันเองดังนั้นสิ่งที่เราควรจะตั้งจิตอธิษฐานก็คือขอให้เราได้สร้างบุนบรารมีกันไปตลอดทั้งปี ใหเราสร้างบรารมีต่างๆเช่นเมตตาบรารมีทานบรารมีศีลบรารมีในกรมมบราบารมีอุเบกขาบรารมีและปัญญาบรารมีด้วยการปฏิบัติเยันเมตตาเราก็ต้องปฏิบัติเมตตาต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานหรือเป็นกายทิพเทวดากายทิพต่างๆถ้าเรา พบปากับเขาเราก็ต้องให้ความเมตตาอย่าไปให้ควา ม, วามเกลียดชังอย่าไปให้ความเสียหายอย่าไปทำสิ่งที่ทำให้เกิดโทษกับเขาให้ความสุขกับเขาอันนี้ถ้าเรามีความเมตตาเราสัประศัทั้งปวงเราจะได้รับมนิสงสของความเมตตาอยู่สิบประการด้วยกันเช่นเราจะอยู่เป็นสุข หลับก็เป็นสุขเตือนก็เป็นสุขนอนหลับก็จะฝันฝันดีไม่ฝันร้ายแล้วก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาจะปกป้องคุ้มของรักษาจะไม่ตายด้วยอาวุธเดด้วยยาพิษถ้าจะปฏิบัติฝึกสมาธิจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่าย แล้วก็เวลาตายก็จะไม่ไม่หลงจิตจะไม่หลงขณะที่ตายแล้วเวลาตายก็จะไปสู่สุคติอันนี้คือผลที่เราจะได้จากการที่เราแผ่เมตตาคือไม่ได้แผ่คือให้ความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงคนเราเข้าใจผิดว่าการแผ่เมตตาคือการสวดบทแผ่เมตตา ยันเราสวดสัตเพสัตสตาเวลาหุนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงไม่วิเวินกันเถิดอันนี้เป็นการสวดเพื่อเป็นการภาวนามากกว่าเป็นการเจริญสติเให้ใจเราสงบ ก, การสวด น, นี้เป็นการฝึกสติเพื่อให้ใจสงบเป็นสมาธิได้อีกอย่างก็สวดเพื่อให้เรารู้ว่ากา ร, การมีความเมตตานนั้ต้องทําอย่างไร ก็แล้วก็อ่านคาแปลเวลาเราโตก็คืออย่าอย่าจองเวรกันให้อภัยกันเวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรเวรนย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรแล้วก็ถ้าเราทําอะไรก็อย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นอย่าไปทำให้ผม้ื่นเขาเดืดร้อนจากการกระทําของเราแล้วก็อย่าไปทําร้ายทางกายและจิตใจของผู้อื่น สุดท้ายก็ให้ความสุขกับผู้อื่นคือเป็นซันต์คร์สเนี่ยซันต์คร์สนี่เขาให้ความสุขกับทุกเด็กๆทุกคนเนี่ยมีของมาแจากแจกให้เด็กพมะเจ้านี่ก็แจกโดยทั้นมีว่าต้องรายกล่องมาวให้เขาไปแจากชาวบ้านคนทลายมาเยอะอันนี้แหละให้ความสุขกับผู้อื่นให้สิ่งที่เขาเขาได้รับแล้วก็วมีความสุข อันนี้คือคือคือเรื่องของความแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ได้แผ่ด้วยการสวดหลังจากนั่งสมาธิเสจกา้สวดบทแผ่เมตตายไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการให้เราศึกษาให้รู้ว่าเวลาที่เราพบปะกันเราจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้เกิดความเมตตาแต่ความเมตตานี้จะจะ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีการกระทาเวลาเราพูดปากกันเวลาใครเขาทาอะไรให้เกิดความเสียหายกับเราแล้วก็อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรให้อภัยอไปเรื่องก็จบถ้าไม่ให้อภัยไปว่าเขาเดี๋ยวเ้าก็โกรธกับเ ข, เขาก็ก้าวกลับเราทิ้งให้ไปทิ้งขึ้นมาเดี๋ยวก็อาจจะถึงกับทําร้ายร่างกายกันแต่ถ้าให้อภัยได้เพราะเรื่องจบทันที ขอโทษครับเดียวเลยยกมือไว้ก็ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอันนี้มันก็จบนี่คือผลที่เกิดจากการสร้างบา ร, รมีเช่นเมตตาบา ร, รมีถ้าเราต้องการความสุขเราก็ต้องมีความเมตตาเราใจเราจะไม่ก็ทุกกับคนเท่าไหร่ที่เราทุกกับใครเพราะเราเราขาดความเมตตา เขาโกรเขาเกลียดเขาอยากจะทําร้ายเขาอั น, นี้ถ้าเราตัดถ้าเรามีความเมตตาเราก็ตัดสิ่งเหล่านี้ได้ความทุกข์ที่เกิดจากบุคคลต่างๆก็จะไม่มีเราจะไม่ทํา ก, กับคนนั้นคนนี้พราะเราจะให้ความเมตตากับทุกคนนี่คือสิ่งที่เราต้องทําถ้าเราอยากจะได้ความสุขความเจริญยกตัวอย่างข้อเมตตา บารมีแล้วก็ทานบารมีก็อให้ความสุขกับผู้อื่นผู้อื่เราก็จะอยากย้า้ความสุขกับเราเวลาใครก็าทำอะไรดีๆคุณบอกนี่คุณบอกว่าอยากจะตอบแทนบุญคุณเขาใช่ไหมใช่ถ้ามีโอกาสถ้าเกิดมีอะไรที่จะทําให้เขาได้ก็อยากจะทําให้เข า, าเพราะว่าเขาให้ความสุขกับเราก่อนเราทําทานกับเรา กรให้ความสุ ข, ขเราเวลาเรามีโอกาสแล้วก็อยากจะตอบแทนบุญคุณเขาในการให้ความสุ ข, ขเขาการทําทานนี่ก็เป็นการให้ความสุขนะยกระดับความเจริญของจิตผู้ที่ทําทานนี่ก็ถือว่าเป็นจิตที่สูงกว่ามนุษย์นเป็นจิตของเทวดาตายไปก็ไปเป็นเทวดาส่วนศีลบารมีก็มีไว้เพื่อป้องกันไว้ให้จิต ขเราตกต่ําแม้จิตเราทุกข์เพราะการทําบาปนี่เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจดังนอย่าไปทําบาปเวลาทบาบาปก็จะทำให้ใจเราทุกข์แล้วใจเราจะตกต่าใจเราจะไปอบายหลังจากที่เราตายไปแล้วอันนี้ก็ป้องกันความทุกข์สิ่งบารมีมีไว้เพือ่อป้องกันความทุกข์ที่เกิดจากา ก, การกระทาบาป แต่ถ้าอยากจะไปสูงกว่าชั้นเทพก็ต้องอไปท้าเน้นกรร ม, มาบารมีกับผู้เบกขาบารมีคู่กันในกรร ม, มาบารมีก็คือการถือศีลแปการยุติการหาความสุขทางตาหูออจมูกนิ้วกายแล้วก็จะได้มีเวลานำเวลาไปเจริญสติสบาที่เพื่อให้ได้ความสงบสุข ได้อุเบกขาถ้าใจเรามีอุเบกขาแล้วใจเราจะเย็นเงินอะไรจะเฉยเฉยใจไม่รักไม่จางไม่กลัวไม่หลงกับอะไรอันนั้นแหลเป็นสภาพของจิตใจที่ดีที่สุดคือใจที่เป็นอุเบกขาแต่อุเบกขาที่เราได้จากการฝึกสติสมาธินี่มันยังไม่มันได้เฉพาะเวลาที่เราอยู่ในสมาธิเวลาออกจากสมาธิมา ใหม่ก็ยังเย็นอยู่แต่ถ้าพักมันก็จะหาเย็นมันก็จะร้อนขึ้นมาถ้าเราอยากจะให้ ใ, ใจของเราเย็นไปตลอดหลังจากที่เราจยากสมาธิมากให้เจริญปัญญาบานี้ถ้าเราจริญปัญญาบามีได้เราใช้ปัญญานะครับเหตุที่วาทำให้ใจเราร้นอนก็คือความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขเรา มันมก็จะทำให้เราเกิดความโลภความอยากเมืเกิดความโลภความอยากใจก็ร้อนขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ก็เสียใจใถ้ามีใครขัดขวางเราโมโกรธแต่ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วขาว้ามมันไม่มีมันจะนําพาเราไปสู่ความทุกข์ต่อไปหลังจากที่เราได้มันมาเนะพราะมันจะต้องมีวันเสื่อมมันหมดถ้าเราพิจารณานี้ได้เราก็จะตัดความโลภความอยาก ได้สิ่ ง, งตา่างๆพอความโลภความอยากถูกกําจัดออกความสงบคืออุเบกขาก็จะกลับขึ้นมาแทนที่แล้วก็จะเป็นอุเบกขาที่เทาว่อนไปต่อไปถ้าเราได้กําจัดความโลภความอยากตา่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วนะใจเราก็จะมีความสงมบไปตลอดเวลามีความสุขแล้วเราใจของเราก็จะได้ขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพรนิพพานขั้นพรนะ คันอเบคขขัน้นขั้นในกมมามะในกพาราขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมขั้นปัญญาก็พาราสู่ขึ้นาสู่สวรรค์ชั้นพราอริยบุคคลจนถึงพระนิพพานในที่สุด น, นี่คือความสุขความเจริญที่เป็นไปที่เป็นความสุขความเจริญทางหน้านจิตใจจิตใจของเราสามารถพัฒนาไปอันนี้จิตใจเราส่วนใหญ่ก็เป็นมนุษย์กัน ไม่รู้จะสมบูรณ์หรือไม่ถ้าเราเริ่มไปทำบาปนี้ความเป็นมนุษย์ก็จะเริ่มถดถอยลงไปน้อยลงไปแต่ถ้าเราไม่ทำบาปแล้วเราทำบุญจิตใจเราก็จะสูงขึ้นจากมนุษย์เป็นเทพแล้วถ้าเราไปฝึกเน้คัมมาไปฝึกสติสมาธิใจของเราก็ขึ้นมาเป็นพรหมแล้วถ้าเราพัฒนาใช้ปัญญารักษาใจไม่ให้อนไปกับความโลภความอยากทั้งหลาย ใจก็จะเย็นตลอดใจก็จะเป็นนิพพานเป็นพระอาริยะมุนขคนขั้นต่างๆนี่คือการให้ความสุขความเจริญกับชีวิตของพวกเราซึ่งวม่มีใครทําให้เราได้ในฐานพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นั้นก็ทําให้เราไม่ได้ท่านถึงสอนอัตตาหีทันโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนในเรื่องของการสร้างความสุขส้างความเจริญ พระพุทธพระธรระสงฆ์เป็นสาลาในในทางสัมสอนบอกทางนั่นเองเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้บอกวิธีเป็นเหมือนโคช้ชอยากจะตีกอฟก็ต้องไปมีโคช้ชให้เขาสอนวิธีตีกอล์ฟให้กับเราแต่เราต้องเป็นคนไปเตียนเราต้องเป็นคนไปฝึกเองถ้าเราฝึกเองเตีองต่อไปแล้วก็เป็นโปรได้ไปแข่งได้รางวัลได้ อันนี้คือเรื่องการถ้าเราจะตั้งจิตอธิษฐานเราต้องไปตั้งที่เหตุอย่ไปตั้งที่ผลอย่าไปอธิษฐานขอให้ได้ไปนิพพานขอให้ได้เป็นโน่นเป็นนีน้ให้ชีวิตต้องเย็นเป็นสุขอย่างที่ชาวพุทธส่วนใหญ่ทางันในวันปีใหม่ก็คือจะไปไหว้พระก้าวัดกันแล้วไหว้พระขอพอรับหรือไปที่ศาลที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆศาลหลักเมืองบ้างศาลเจ้าที่นน่นที่นี่บ้างที่ไหนที่เขาว่า ครั้งก็จะไปที่นั่นกันหลัก็ไม่ได้ไปทําอะไรก็เพียงแต่ไปกราบไหว้บูชาด้ดอกไว้ทุกเทียนอาจจะบริจาคทานเพื่อเพื่อเป็นการดูแลสถานที่รักษาสถานที่ท่านั้นเองก็มันก็มันย้อนจะไม่ได้เลยแล้วทำแค่วันเดียวแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปทําตามปกติเหมือนเดิมเคยทําบาป ก, ก็ทําต่อไป เกิอะไรก็ทําไปตามเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้เลยมันเป็นความเชื่อแต่เป็นความเชื่อที่ไม่สามารถผลิตผลที่เราต้องการได้สิ่งที่จะผลิตผลให้เราต้องการได้ก็คือเราต้องไปสร้างเหตุที่ทําให้เกิดผลขึ้นมาเหตุที่จะสร้างให้ผลเกิดที่เราต้องการก็คือเนี่ยบารมีต่างๆที่เอาไว้ฝากท่านเนี่ยเมตตานี่ยฝึกเมตต า, า, า, าเนี่ยฝึกใหอภัยเนี่ยครับรดเนี่ย คดเมตตาได้ดีตลอดเลยขบับรถใจเย็นเย็นเมตตาคิดถึงหัวอกคนอื่นก็บ้างคิดถึงคนข้ามถนนคิดถึงคนอรถข้างหน้าออย่าไปชนเขาอย่าไปอะไรเขาบางที่เราคิดแต่เรื่องของเราอยากจะไปให้ถึงจุดหมายปายทางเร็วๆ เ, เราก็เลยบางทีขบับรถเร็วเกินเกินเกินไปแล้วพอเ จ, เจอเหตุการณ์ที่สุดวิสัยก็ต้องประกิศอุบัติเหตุ ทให้ผู้ผู้อ่นเขาต้องเสียชีวิตเขราะความรีบร้อนของเราถ้าเรามีความเมตตาแล้วขับไปสบายๆให้มันปลอดภัยเพราะเราไม่ต้องการที่จะไปสร้างความทุกข์สร้างความความความเดือดร้อนให้แกัผู้ไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่ต้องมีความเมตตาอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกทํากันทุกวันไม่ใช่เฉพาะทําแค่วันปีใหม่วันเดียวให้ พอจะเข้าใจนะครับผมเพผมันนี้ได้คำตอบแล้วครับ <c oughs> อาจารครับแต่โดยที่โดยคนส่วนใหญ่ที่เขาไปทาบุญทาทานตามวัดต่งตางๆสวดมนต์นข้ามปีอะไรเงี้ยก็ยังถือว่าก็ยังได้ประโยชน์อยู่บ้างใช่ไหครับอาจารย์ก็ได้เซี่ยวนึงไงหนึ่งนหนึ่งปีมีสามรสามสิบห้าวันก็หนึ่งในสาม้หกสิบหกก็คิดโยจะ่ายถึงเปอร์เซ็นต์นันไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เลยครับ ย, <c oughs> ค, ยครับผม ถ้าถ้าถ้าจะได้ประโยชน์ก็ทํามันทุกวันเลยสวดเที่ยงทั้งปีทุกวันเพราตทุกคืนมันก็เป็นมันก็มีเที่ยงคืนเหมือนกันทุกคืนส่วนเที่ยงคืนวลาเที่ยคืนก็มันเลยกมันนั่งสวดกันข้างคืนอย่างเลี้ยแล้วตอนจชก็ไปใส่บาตรทุกวันสลยอันนี้เนี้ยก็จะได้แต่ก็ได้เฉพาะทานได้เฉพาะระดับทานนะเนี่ยครับผมแล้วอาจจะได้ระดับสมาธิบ้างคือได้สวดมนต์ได้เจริญสติบ้าง แต่ถ้าอยากจะได้มากไปกว่านี้มันก็ต้องทําหลายอย่างด้วยกันทําทางแล้วก็ต้องรักษาศีลด้วยป้องกันไม่ให้จิตเราตกต่ำอันนี้ต้องเป็นการกรําต่อเนื่องไม่ใช่ทำไหนเฉพาะช่วงวันวันวันสําคัญวันเดียวเท่านั้นมันก็ได้ได้เซี่ยวหรือเท่านั้นของของผลที่เราต้องการมันต่างหน้าใสตรงปีละครั้งเนี่ยปีละครั้งมันจะเต็มเมื่อไมันจะเต็มตก ครับก็อยากให้เต็มตัวมันกาตักทุกวันเดี๋ยวมันก็เต็มครับผมรับทราบแล้วครับพระอาจารย์จารพยายามทำเพียรปฏิบัติทุกวันต่อไปครับอาจารย์ครับสรุปที่ที่ชาวพุูดเราทำกันทุกวันเนี้ที่ไปไหว้พระเสิมอที่เป็นศีลรับพระตาปลาร้าทั้งนั้นนะเป็นความเชื่อเชื่อมาได้กับพระขอพรแล้วก็จะได้ ไม่เชื่อกฎแห่งกรรมเลยกฎแห่งกรรมที่สามว่าทําดีได้ดีทำเชื่อให้เชื่อนี้ไม่พูดถึงเลยต้องทําดีแล้วก็ละการกระทาความเชื่อทำร่าใจให้สาวบริสุดนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าร้าพระพระพุทธเจ้าทุกๆุพระนี่แหละสารณะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านสอนเราให้ทำสามอย่างนี่ละการกระทาบาปสร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อม ชำระใจให้สะอาดบริบสุดกำจัดความรู้ความโกรธความหลงต่างๆให้หมดไปจากใจนี่มันเป็นสามข้อง่ายๆแต่ชาวพุทธเราทํามารู้สึกห่างเหินจากคําสอนด้วยเกินแล้วก็ไปทําในสิ่งที่ท่านไม่ได้สอนให้ทําเลยให้ไปกราบไหว้พุทธรูปบ้างให้ไปกราบอะไรต่างๆแล้วก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่ได้อยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยแมย้แ ต, แต่แต่นิดเดียว อันนี้ต้องขออภยัยนะถ้าพูดแบบขัดขัดกับความรู้สึกแต่วันนี้ก็ต้องกระกตุ้นให้ความจิตสำนึกมากๆไปศึกษาดูสิผู้เจ้าท่านสอนอะไรกันท่านสอนมาปีใหม่ไปไปขอพรไปไปกราบพระก้าววัดหรืร่าไม่มีครับครับผมครับขอบคุณพระอาจารย์ได้ความกระจกัก ออกับพวกเรานะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมจะขอโอกาสถามคําถามจากเพื่อนๆที่ส่งเข้ามาบ้างนะครับ <c oughs> คุณแชทครับบอกว่าวัตถุประสงค์ของการเดินทุดงเป้าหมายเพื่ออะไรครับคือการเดินทุดง น, น, น, นี้เปา้าหมายคือกานเข้าป่าไม่ใช่เดินตามทางข้างถนนกันอย่างที่เห็นกันครับอันนี้ทําเป็นแบบเหมือนกับเป็นการโปรโมทมากกว่าเดินเป็นแถวยาวเหยียดกันเลย แล้วก็มีการถ่ายคลิปมาลงกันเผยแผ่กันว่านี่เป็นการทุดงอันนี้ไม่ใช่เป็นการทุดงที่แท้จริงการทุ่ดงก็คือการไปเปรตวิเวกไปหาที่สงบเพื่อจะได้ภาวนาตามลำพังไปแบบคนเดียวหรือว่าถ้าไปสองสามคนก็อาจจะเมื่อไปถึงที่พักนั้นก็ปแยกกันแต่ถ้าจะให้เด็ดเดี่ยวจริงๆต้องไปคนเดียวแล้วไปในป่าไม่ใช่ไปตามหมู่บ้านไปตาม ข้างถนนเดินไปข้างถนนแล้วก็เรียรายเวลาใครมารับขึ้นรถก็ขอค่ารถขอขอสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนั้นไม่ใช่เป็นการทุ ด, ดงที่ถูกต้องสมัยก่อนท่านเดินทุดกเพราะท่าน่าท่านไม่มีรถมีลาภาพาพไม่มีรถบีไม่มีอะไรแล้วท่านลงไปที่ที่มันไม่มีถนนเน่ยท่านต้องเดินเดินป่ากันเดินเดินป่าแล้วเพื่อไปไปหาที่สงบสงัดเพื่อจะได้ จเจริญสตินั่งสมาธิได้ง่ายได้ผลดีกว่าเวลาที่เราอยู่ใกล้สิ่งแวดล้อมที่มีเสียงหรือเคอร์เตอร์เครื่องนแล้วมีกิจกรรม อ, อะไต่างๆนี่เกิดเจตนาของการไปปิดเดินด้วยหนงเพิ่มไปปิกวิเวกนี่ขนาดอยู่วัดป่าบางที่มันก็ยังไม่วิเวกพอเพราะจะอยู่วัดก็ออยังต้องเจอคนนั้นคนนี้แล้วก็ต้องมีภารกิจของทางวัดที่ต้องช่วยกันทําำ แต่ถ้าเป็นปีวิเวกไปคนเดียวนี่ไม่มีอะไรต้องทำเลยนอกจากบินนาบาัตไปบินนบาตเสร็จกลับมาจากชั้นเสร็จก็ไม่มีอะไรต้องทำไม่ต้องทำํำละเดินจงกรมนั่งสมาธิไปยังนั่งถึงเวลานอนเลยตื่นนอนก็เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไปยังถึงเวลาไปบินนบาตนี่แหละคือเกีรตนาของการไปทุ่นมเพื่อที่จะได้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มร้อย เนี่ยหลวงปู่มั่นท่านอยู่ปะบบท่านอยู่อย่างงี้ยเชียงใหม่อยู่กับสิบปีมับงนั่นทุ่นโดนอยู่ในเชียงใหม่สิบปีก่อนหน้านั้นท่านอยู่กับว่ า, าต้องท่านต้องมีภาระสอนสอนพระเองสอนญาติโยมตัวเองเลยไม่มีเวลาไ ป, ปเปลีไม่เมฆเว้นกับพระนุนี่พระอน น, อนก็รับใช้พระพุทธเจ้าอยู่น้องยี่สิบกว่าปีไม่มีเวลาไปเปิด่ยนไม่เแต่พอพระพุทธเจ้าท่านจากไปอนุนก็เลย ตกงานไม่มีงานรับใช้มุตจา้านี่ก็ว่าก็ไปเปิดวิเมฆปฏิบัติสามเดือนก็บรรลุนะแต่ระยะเวลายี่สิบปีที่รับใช้มุตจา้านี้ไม่ไม่ได้คืบหน้าอะไรเลยได้ประโยชน์อย่างเดียวคือได้ฟังธรรมที่กุจ้าได้ส่งแสดงแต่มันก็ไม่สามารถเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังมาใช้กับการปฏิบัติได้เพราะไม่มีเวลาปฏิบัติ ท่านครับเรื่อย่างองหลวงตานี้ท่านก็ทุดงอยู่เรื่อยๆ อ, อยู่ไหมครับท่านเล่าว่าท่านก็อยู่องค์หลวงช่วงที่มาหลวงปู่มัน่นท่านก็จะขอปิดวิเวกเป็นบางช่วงเช่นเวลาออกปรรษาแ ล, แล้วท่านก็ไปเ ป, ปิด่คนแต่ใหม่ๆก็ยังไม่ได้เปิดเพราะว่าไปใหม่ๆก็ต้องไปฝึกเรียนรู้วิชาจากหลวงปู่ปฏิบัติการชิดกับท่านไปก่อนโดยท่า น, น, า น, นรู้ว่าจิตของเราท่านพร้อมนะ ท่านรู้ว่าสภาพที่ท่านอยู่นะั้นมันเป็นอุประสัรเพราะต้องมีความกังวลเกี่ยวกันการอุปถัมภครูบาจารย์อดูแลช่วยเหลือกิจกรรมในว่าต่างๆ <Okay. S 1> เวลาที่จะได้ปฏิบัติอย่างตอน น, น, นี้มันไม่ค่อยมีก็เลยอยากจะไปปีกเว่ยอีอย่างการไปปีกเว่ยก็จะได้ต้องพึ่งลำแข้งัำขาของตอนเองเพียงอย่างเดียวอยู่กับครูบาจารย์นี่ก็สายบารมีของครูบ า, าจารย์ช่วยคุ้มของ ยอยากจะไปทดสอบวิชาที่องตนว่าแข็งแกร่งขนาดไหน<ะ>แต่ก็ไม่ได้ไปแบบไปแล้วก็ไม่กลับไปแล้วบางทีท่านมีนปัญหาอะไรขึ้นมาท่านก็จะกลับมาปรึกษามาข อ, ขอคำคาคาแนะนำจากครูบาอาจารย์หลวงบุ่พอได้รับคาแนะนาแล้วท่านก็กลับไปต่อกลับไปเป็นวเวก็ คุณพี่โกครับจิต ท, ที่เป็นตัวคิดเราขนสอนหรือพัฒนาทางธรรมอย่างไรครับก่อนที่เราจะสอนจิต ท, ที่เป็นตัวคิดได้เนี่เราต้องหยุดเราต้องสามารถหยุดเขาได้ก่อนถ้าเราหยุดจิตไม่ได้ก็คุมจิตไม่ได้เราจะสอนให้จิตคิดบอกให้คิดไปทำตายลาภอย่างนี้เขาไม่คิ ด, ดเพราะเขาก็คิดไปในทางลาภยุสรรเสสุกตลอดเวลาเขาคิดไปในทางโ ล, ล, งลกกระทำ มันเป็นความคิดที่ติดที่สายของจิตมางนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก่อนถ้าเราอยากจะสอนจิตให้คิดไปในทางธรรมเราก็ต้องมีความสามารถที่จะหยุดความคิดให้ได้ก่อนเมื่อเราหยุดความคิดได้แล้วเราก็สามารถสั่งให้คิดไปในทางธรรมได้แต่ถ้ายังหยุดความคิดไม่ได้มันก็จะคิดไปในทางทางโลกอยู่เรื่ยๆคิดไปในทางรูปเสียงกลิ่นแล้วิไปในทางนามยุทธสตร์เสริอยู่ต ไม่น่ะถึงเ้ายที่ว่าเราต้องเจริญสติก็หยุดความคิดกันหยุดความคิดให้จิตสงบเป็นอุเบกขาเป็นสมาธิณล้วทีนี้พอเราควบคุมความคิดสั่งให้มันหยุดได้เราก็สั่งให้มันคิดไปใ น, ในทางปัญญาได้คิดไปในทางธรรมได้พอเราคิดไปในทางธรรมเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายลนะักเราก็ตัดกิเลสได้หมดเลยตัดกิเลสได้หมดเรากับบรรลุพระนิพพานได้ จากคุณทีระครับการที่เรายังมองคนบางคนแล้วรู้สึกไม่ถูกชะตาไม่ชอบใจทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยเจอกันหรือพูดจากันเลยเกี่ยวข้องกับมานาทิถิไหมครับและเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเราไม่เคยเกิดจากอดีตชาติเราเคยเจอคนลักษณะนี้มาก่อนคนเราอาจจะเปลี่ยนรูปร่างหน้ า, นาตาแต่นิสัยใจคออัตยาสัยนี่มันไม่เปลี่ยนวิธีการพูดของเราวิธีการะวิธีอะไร พอเราเห็นคนแบบที่เรารู้เลยคนที่เคยมีอะไรมาเราไม่เคยชอบมาเลยพอเจอป้าปันก็จะรู้ทันทีมันไม่เกี่ยวกับมานะทิศถิแล้วมันมันเกี่ยวกับเรื่องจิตสำนึกจิตใต้สานึกของเราที่ด้วเราสัญญากันที่มันจํามันจําบุคลิกลักษณะของคนได้ไม่ใช่รูปหน้าหน้าตาแต่วิธีการพูดการการการกระทําของเราต่างๆนี้มันไม่เปลี่ยนถึงแม้จะเปลี่ยนร่างกาย สังเกตให้คุณวอลองดูแตถ้าคุณหมอไม่เจอใครเพื่อนเพื่อนฝูงสักสามสี่สิบปีนี้เห็นหน้าตาก็อาจจะจำไม่ได้นะแต่เขาพูดเขาได้จำได้จำเสียงก็ได้วิธีการพูดของเขานี่ไม่เปลี่ยนครับนั่นแหละเราก็จะจำะเขาเรียกอัตรลักษณะตามที่เขาใช้กันทุกวันนี้คุณสมบัติที่เป็นคุณคุณสมบัติประ จ, จาตัวเขาลักษณะ อะการพูดการกระทํำเขาเนี่มันไม่เปลี่ยนในตอนเราเจอคนลักษณะแบบนี้ปั๊บถ้าเราเคยชอบก็ชอบเลยเนี่ยเราจึงมีคนสามแบบที่เวลาเราเจอเนี่ยเจอมางคนปั๊บไม่รู้ทํมมาไมชอบก็าเลยเกิดเจอคนยังทั้งเกลียดเขา เ, ก, เกิดแล้วเจอคนเฉยๆไม่รักไม่ชาเพราะเรากับเขาไม่เคยมีอะไรกันมาก่อนครับผมนี่คือเรื่องเรื่องเก่าในเรื่อง อ, งอดีตแต่ กรรมในอดีตที่เราได้ไปเจอกับคนบางบางคนบางแบบพอมาเจอกันเองก็จะมีความรู้สึกเหมือนเดิมกับคนบบนั้นแต่มันเปลี่ยนได้ไหมครับอาารคือแบบเราก็พยายามที่จะป เ, เะบิกฐาเนเขลี่ยนล้วก็เราเบขานแล้วก็พิจารณาเขาอยู่ในส่วนที่เป็นเหมือนกันเขาก็มาจากเรดินน้าลงไปแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายส่วนดีชั่วมันก็เป็นเรื่องของเขา เขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของการของเขาไปเราไม่ใช่ฉช่กับเขาไปทั้งในคุณวีนาครับคนที่อธิษฐานสิ่งใดแล้วได้เสมอแสดงว่าคนนั้นเขามีบุญทําบุญทำทานไว้มากใช่ไหมคะขอพระอาจารย์เมตตาขอาเข้าใจด้วยค่ะขอเอามาให้เราเห็นทั้งคนเคนที่อธิษฐานอะไรแล้วได้เสมอเนี้ยยังไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เกิดมาถ้าคุณเจอคุณน้องเอามาให้เราดูทักคน มันไม่มีหรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกยังไงอธิษฐานเป็นนายกไปเลยไม่ดีนะท่านอยกจะได้ให้ันามาอธิษฐานขอแต่วัตถุเรื่มันทั้หนึ่งทุกทุกงวดเลยใช่ไหมมันไม่เป็นหรอกคุณไม่คิดกันเองนะไม่เป็นไปไม่ได้การอธิษฐานขออะไรนี้มันถ้าได้มันก็เป็นเหตุบังเองนะิญนั่นเมันเป็นจังหวะที่จะได้อยู่แล้วจะขอไม่ขอมันก็ได้ครับนี่ นนี่เป็นความจริงมากกว่าไม่ใช่ว่าคนที่เก่งนะขออะไรก็ได้นี่ทไม่ไม่ขอเป็นนายกทำไม่ขอให้เป็นผ้าละหนเนี่ย ค, คุณชนุสนันครับพอดีเพิ่งไปสวดมนต์ข้ามปีมาค่ะบทสวดมนต์ตลอดสี่ชั่วโมงเป็นภาษาบาลีทั้งหมดคำถามคือหากเราไม่เข้าใจความหมายของภาษาบาลีเลย จะได้อนาสงอย่างไรคะตอนสวดมีตสตสิมากๆเพราะอ่านยากค่ะก็ได้สติไงได้สติแล้วก็ได้อุเบกได้ความสงบบ้างได้สมาธิบ้างแต่ยังเป็นสมาธิแบบไม่เล้อกในใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปคิดวิจตกรมวลกับเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายมันเราก็จะได้ปัญญาเพราะบทสวดต่างๆนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเป็นพระสูตรต่างๆ เช่นถ้าเราไปสวดต่อไปสวดธรรมจักกับปวัตนะแสวถ้าเราเข้าใจความหมายแล้วลกาจะรู้ท่านสรงกําลังแสดงอมรรคแปดอริยอริยสัจสี่ทรงสอนเรื่องมรรคแปดอริยสัจสี่เราก็สามารถที่จะปัญญาที่เราเรียนนี้มาใช้กับตัวเราได้มาไปปฏิบั ต, ติต่อไปได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจความหมายเราก็จะไม่ได้ปัญญาไม่ได้ความรูไญญ้ได้แต่ความ ได้แต่สติหรือได้แต่ความสงบที่เรว่าสมาธิครับคำถามจากคุณพิงก y l เลดีครับสอบถามพ้อาจารย์ค่ะกิเลสสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำยังละไม่หมดเราสามารถเห็นกิเลสสังโยชน์เบื้องสูงได้หรือคะเหมือนลูกจะเห็นตัวมานะความถือ ด, ดีในตนค่ะตอนเห็นคือไม่ชอบจิตตัวนี้เลยกลับมาอยู่กับลมหายใจค่ะ อาจจะเห็นได้แต่การที่จะไประ ง, งับ ม, มันนี่คงจะยากเพราะม่ามันเป็นสิ่งที่มันยากกว่าทายศเนื่มต่างกันเองอะยังรักทาโยศเนื่องต่ า, า, า, ตาไม่ได้ทางยศเนื่องบนนี่อย่าไปฝันเถียเลยหรือถ้าเรายังไม่จบปริญญาตีอย่าไปฝันที่จะไปเรียนปริญญาอีกปัญญาโทเลยม่นคนระดับกัน มีคำถามนี้แล้วแต่พระอาจารย์นะครับมีพระธาตุจริงไหมครับพระอาจารย์มีเกสาอศติพระพนักปฏิบัติที่กลายเป็นพระธาตุครับคือพระธาตุนี้มีถ้าเป็นพระอรหันเนี่ยครับที่ตายไปแล้วถ้าท่านเป็นพระอรหานเนี่ยก็ดูบางส่วนไม่ใช่ทั้งทุกทุ ก, ท, กทุกส่วน บ, บ, บางส่วนอาจจะมีก้อน้งได้กล่อมาเป็นพระธาตุขึ้นมายมีอาจจะมีหลายหลายชิ้นด้วยกัน ไม่ใช่มีชิ้นเดียวแต่แต่ไม่ได้ไม่มีทั้งทั้งทั้งภาพอะรถ้า ท, ท่านเป็นภาพละก็จะเป็นพระธานลุละคุณวงจันทร์ครับผู้ปฏิบัติธรรมมักพบเรื่องทดสอบทางธรรมเสมอและยากขึ้นใช่ไหมคะ คือจะว่าผู้ปฏิบัติธรรมพบเรื่องทดสอบทำทำมันก็ไม่เชิทุกคนก็พร้อมเรื่องสอบทาำทำแต่ไม่เรื่องที่ที่จะสอบสหมือนท่านนี่ทุกครั้งที่เราเจอกิเลสอยากได้โน่อยากได้นี่หรือกิเลสจะมาเล่าให้เราไปทําบาปมันก็เป็นข้อสอบเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่รู้ว่าเปนข้อสอบสุดย่างยเราก็จะสอบตกเพราะเราไม่เราไม่เรื่องที่จะสอบนี่อาเราโน้มากอย่างได้ร ถ้าคอ l l e c t i o n ได้โกงหน้าก็าเอาละสิไม่เลยคิดว่าในผิดศีลหรือเปล่าแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเรารู้ว่ในี่อะไรผิดอะไรถูกอะไดีอะไรไม่ดีนี้มันก็เลยรู้พอเราจะทําอะไรผิดเราก็รู้ว่า น, นี่มนไม่ดีเนั้นอย่าไปคิดว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องพบต้องทดสอบทางธรรมคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมก็พบแต่ไม่ยอมไม่ยอมสอบไม่ถือว่าเป็นข้อสอบ ครับกับไม่สนใจไม่สนใจะบาปไม่บาปไม่สนใจอยากได้ถ้าอยากนยังอันนี้ ต, ต้องตอแบบนี้แหละ ว, ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือไม่แต่ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี้จะมีจิตสํานึกรู้ขึ้นมาว่าสิ่งที่จะทํานี้ถูกหรือไม่ถูกควรหรือไม่ควร คุณมณีนุชครับขอโอกาสถามพระอาจารย์ค่ะฝึกอาณาปานาสติสม่ำเสมอตอนนี้สภาวะนิ่งมีสติอยู่กับความว่างค่ะแต่อาการที่ผิดปกติคือรู้สึกว่าลมหายใจตอนนี้มีความเย็นเย็นจนรู้สึกได้ตลอดเวลาและจมูกโล่งมากแบบนี้คือสภาวะทางสมาธิหรือไม่และต้องปฏิบัติต่อไปอย่างไรคะมันเป็นเรื่องของทางร่างกายได้อีกอย่างหอาจจะเป็นเรื่องของความที่เราไปรู้สึกมันเองความจริงมันก็เป็นเหมือนเดิม เพราะว่าถ้าที่ประสบประการณ์ผ่านมานะั้นมันก็เรื่องทางลมทางร่านทางทางลมหายใจทางร่างกายมันก็ไม่เปลีป่ยนแปลงมันก็เป็นเหมืเดิมนีเพียงแต่ว่าเวลาจิตเราเย็ยนสบายขึ้นเราอาจจะไปเกิดความรู้สึกว่าลมมันเย็ยนตามเราไปด้วยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่ต้องไปสนใจเรื่องลมให้สนใจเรื่องจิตว่าเราว่าเรา ส, ราสงบหรือไม่แล้วเมื่อสงบแล้วเรารักษาความสงบให้มันสงบต่อไปได้หรือไม่มาก อันนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความคจะให้ความํากันแต่เรื่องของด้านกายว่ามันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปกังวลคุณเดอะมัลติเวอร์ชยูนิตี้ครับเหตุใดเทวธรรมจึงมีสองข้อคือฮิลิและอุตตปาครับก็คนที่จะไปเป็นเทวดาได้ก็ต้องมีความไม่กล้าทำบาปความละอายบา คนที่ไม่มีความละอายไม่มีความกลัวบาปก็จะไม่ก็จะทําบาปก็จะไปเป็นเปรตไปไปเป็นเนรฉาญนั้นคนที่จะไปเป็นเทวดานั่นต้องได้เห็นอิอุตตาถึงจะได้ไม่ทําบาปทําแต่บุญเมื่อทำแต่บุญบุญมากกว่าบาบุญก็ส่งให้ไปเป็นเทวดาแต่น่าทาบุญด้วยทําบาปด้วยบาปมากกว่าบุญก็ไม่ได้ไปเป็นเทวดา ค, ษษษคุณคาิษฐาครับเวลาเราดูคนอื่นไปเที่ยวเรารู้สึกอยากไปเที่ยวบ้างแต่ก็เป็นแค่แป๊บเดียวหลังจากที่เราพิจารณาถึงการลดละความอยากลงอาการนั้นก็หายไปอย่างนี้ถือว่าเราละความอยากได้หรือยังคะหรือว่าถ้าละความอยากได้จริงๆต้องไม่รู้สึกอยากตั้งแต่แรกเลยหรือไม่คะก็เป <The Yay ful> <The> ็นการเริ <The> ่มละความอยากแต่ยังไม่ได้ละแบบทาวอข้างหน้าก็ไม่รู้ถ้าเกิดอยากขึ้นมามากๆขึ้นอ่ะ แล้วอาจจะไม่ได้ไปหลายครัง้งมันความอยากมันก็จะแรงขึ้นเหมือนเมื่อตอนที่สองปีก่อนมานี่ทุกคนไม่สามารถไปเที่ยวไปฉลองปีใหม่ได้พอปีนี้พอไปหน้าที่โหสุดๆเลยใช่ไหมบายกันสุดๆเลยเที่ยวกันสุดๆเลยสถานที่เท่าเที่ยวที่ได้ยินข่าวมั่แน่นแน่นไปด้วยคนเป็นหมดเลยทั้งไทยทั้งเทศอันนี้ดงนั้นก็อยากไปช้าละใจต้องดูไปเรื่อยๆ ดูไปเรื่อยจนกระทัางเกิดความรู้สึกเฉยๆต้องเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นแค่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นแบบควันไฟแล้วมันเป็นเหมือนยาเสพติดที่จะทําให้เราติดแล้วเวลาที่เราไม่เลืไปเราจะทุกข์ให้คิดแบบนี้แล้วต่อไปมันจะเฉยๆอันนี้กพัธยาแน่นไปหมดเลยครับอาจารย์ <laughs> ทุกแข้งทุกควเลย <laughs> นั่ครับ คุณเดิมัลติเวอร์ซัลยูนิตี้ครับพระอาหารหันต์ที่เข้าอนุปาทิเศตนิพพานแล้วท่านสงบอยู่ในอัปปนาสมาธิตลอดเวลาหรือครับและสงบเป็นฌานระดับใดครับ อ, อ๋อไม่ใช่มันเป็นสงบแบบนิพพานไม่ใช่สงบแบบอัปปนาสมาธิานิชฌานเป็นความสงบที่กระจากการกำจัดความโลภความโกรธความหลงตัวที่มาสร้างความไม่สงบให้กับใจ ถ้าไม่มีความโลมความโกรธความหล ง, งไม่ต้องเข้าสมาธิจิตธรรมดาอย่างนี้แต่ ไ, ม, ไ ม, ม, ม่ไม่มีความไม่มีความวุ่นวายใจใจสงบเน่เฉยเย็นสบาย <Okay. S 3> คุณนนทพัฒน์ครับวัตถุมงคลพระเครื่องที่เราห้อยสามารถช่วยเราได้ไหมครับช่วยได้กันดีแต่มีแต่คนไปดูคนที่ประสบอุบัิเหตุไปดูว่าห้อยพระเครื่องหรอป่า ก็ <c oughs> มีมีทั้งคนรอดและคนไม่รอดคนไม่รอดเขาคิดว่าอพระเขินช่วยเราก็มันเป็นเรื่องของความคิดท่านั้นความเชื่อเท่้แต่ความเนจริงแล้วท่านช่วยเราไม่ได้เราไม่ตัดตัวท่านเองท่านช่วยตัวท่านเองไม่ได้เลยเี่ยพระนี่ถูกโจมว่าตัดเศียรไปขายทั้งเยอะแยะธรรมุตะลุกถ้าน่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆถ้าต้องหยุดในคนที่จะมาตัดเศียรท่านได้ใช่ไับ <c oughs> คุณแคทครับการสวดมนต์โดยที่ไม่ได้ออกเสียงเพราะว่ามีปัญหาออกเสียงแล้วจะแล้วถ้าสวดตามในอ่าแล้วจะได้สวดถ้าสวดในฟังใน y o u t u ู e สวดในใจได้ไหมเจ้าค่ะได้การสวดในใจนะดีที่สดนะุดมัะเป็นเหมือนกับเป็นการภาวนาเป็นการเจริญพุทธานุสติหรือธรรมานุสติการสวดไปร่างกายไม่ต้องไม่ต้องสวดดี พอใ จ, จได้ไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาคอยบังคับให้ร่างกายส่วนใ จ, จได้ไม่มีงานที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับร่างกายก็จะทาให้ใจสงบได้มากกว่าการที่เราสดวดหรือออกเสียงทางร่างกายคุณเอกชัยครับขอวิธีตัดหรือบรรเทากิเลสในใจครับพอรู้สึกว่าตนเองมีความโลภโกรธหลงในจิตใจมากทั้งที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมมาปกาีกว่าแล้วครับ ก็พระเจ้าบอกให้สอนให้ใช้หลักมากน้อยสันโดษวิธีตัดอิเล็กความยากต่างๆให้เรายินดีตามมีตามเกิดแล้วก็ให้เรายินดีน้อยๆเช่นในปัจจัยสี่ของที่เราใช้บริโภคเนี้ก็ใช้ของง่น้อยของถูกๆไม่จาเป็นจะต้องเป็นของแพงของหรูหราต้องไม่ต้องเป็นแบรนด์เนมเสื้อที่ติดป้ายแบรนด์เด็กับเสื้อที่ไม่ติดป้ายะคนับเป็นเสื้อเหมือนกัน ทำประโยชน์ได้เท่ากันเสื้อที่คุณบอกใส่พันหนึ่งกับเสื้อไอ้มหาเรษธีใส่หมืนหนึ่งมันก็เป็นเสื้อเหมือนกันะเห็นขุจารสารว่าวิธีจารบรรเทาทีเหลือความโลภนี่ก็คือให้ใช้ควา ม, มาน้อยไว้แล้วก็ใช้สันโดษยินดีตามมีตามเกิดอย่ากปอยากได้นู่นได้นี่ตามตามความอยากของเราให้ให้พอใจกับสิ่งที่เราได้มา ยินดีกับสิ่งที่เราได้รับพอใจกับสิ่งที่เรามีแล้วมันจะลดคามโลกลงได้พอเราลดความโลภได้ความโกรธก็จะน้อยตา่าเพราะความโกรธเกิดจากความโลภเวลาที่เราโลภแล้วเราไม่ได้ยังที่เราโลภเราก็จะโกรธขึ้นมความหลงก็จะลดลงความหลงก็เพราะความคิดว่าความสุขของเราอยู่ที่การใช้ของแพงๆใช้ของดีๆ คุณน monk สักครับถ้าบริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลแล้วลูกหลานไม่มีศพไปตั้งสวดอภิธรรมอย่างนี้ผู้ตายจะเสียโอกาสได้บุญจากการฟังพระสวดไหมครับแล้วคนตายได้ฟังไ ด, ได้ยินหรือเปล่าเวลาตายนะขณะเวลาคนเป็ น, ค น, ปนคนยังไม่ฟังเลยแล้วเวลาคนตายคนยังฟังหรือเปล่าในเวลาคนไปคนไปงานศพคนตั้งใจฟังก็าพาสวดหรือเปล่าไม่มีการตั้งใจฟังถ้าเป็นดูเห็นว่าร่ำคุยกันมากกว่า แล้วน่งคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปภ า, ายในใจร้อยเมื่อจะสวดจบสักทีจะได้กลับบ้านหลวงตายท่านนึงบอกว่าเวลาเราตายอย่าอย่าอย่ามาสวดให้เราเนะียอย่าว่ากุศลาให้เราท่านสั่งไว้นะแต่ลูกศิษย์ก็ยังดื้อนะเวลาท่านตายก็ยังจับผ้าไปสวดในงานศพท่านอีกถ้าบอกว่าเอาสวดตอนที่เรายังไม่ตายเนี่ยตอนนั้นอนะ ส่วนเองแบบจะได้สติได้สมาธิได้ปัญญาไม่ใช่มารอให้ตอนตายแล้วไปไปสวดไปฟ่งเพราะมันไม่ได้คนตายไม่รู้เรื่องหรอกที่สวด น, นี่ไม่ได้สวดให้คนตายฝั่งนะเชื่อไหมสวดให้คนที่ไปงานศบฟังกันถ้าสวดให้คนตายก็ไม่ต้องไปสวดให้เสียเวลาหรอกเพราะยังไงคนตายก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ตาหูจมูกนิ้วกายเขาหยุดทํางานแล้ว แล้วผู้ที่รับดูก็ไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วเขาแยากไปแล้วโยงเป็นโยงโยงวิญญาณไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แล้นเรื่องการทำงานสมนี้ไม่มีความสำคัญเลยสำหรับผู้ตายผู้ตายไม่ได้รับประโยชน์อะไรที่ทำการนี้นก็ประโยชน์ของคนอยู่มากกว่าคนจะได้มีมีมีเหตุให้คนอยู่มาทำบุญกันมางไม่งั้นไม่มีเวลาทำบุญกันเลยโมแตงยุ่งทามาหากินไปงานต่าง ที่มีเพื่อนตายต้องไปทําบุญหน่อยนะทําบุญให้เพื่อนนะเพื่อนเพื่อนก็ได้บุญเพียงเสี้ยวเดียวของบุญที่เราได้เวลาเรากดน้ำมนตทิศไปเนี่ยบุญส่วนใหญ่ไป็นขอผู้ผู้กระทั่งผู้ผู้รับในด้านนิดเดียวนนครับคุณพัฒนรีครับสอบถามพระอาจารย์ว่าสวดมนต์เวลาไหนก็ได้ใช่ไหมคะได้ส่วนได้ทั้งวันทั้งคืน เนการสวดเป็นการฝึกตสติจลาสติสวดแบบที่ไม่ต้องอยู่ในท่า น, นั่งสวยก็ได้เช่นเราทับกิดอะไรแล้วก็เอ็นตีปิโสไปอะไรไปเพื่อไม่ให้ใจเราคิดฟุ้งซ่านอะไรนี้คุณมารีครับพระอาจารย์ว่าการที่เราซื้อยารักษาโรคเช่นยาจําพวกยาทาน้ําข่าวยาทาน้ําแดงพลาสเตอร์แอลกอฮอล์ยาทาแก้ปวดเมื่อยเป็นการผิดวินัยสงไหมเจ้าคะและเข้าขายอาบัติไ้มเจ้าคะ ม่าไม่ผิดแล้วก็เป็นยาที่จะใช้รักษาร่างกายได้เป็นปกติคุณโน้ตครับผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะแรกยังพอมีโอกาสที่จะฝึกจิตได้หรือไม่คะไม่รู้เหมือนกันนะต้องลองไปทำดูนะขาะพูกที่ยังไม่ไม่ไม่เป็นอะไรยังฝึกกันไม่ค่อยได้ถ้าพ อ, อเป็นเริ่มเป็นเราจะไปฝึกได้ก็ปาก็มไม่รู้นะ คุณนาวาครับคือคิดว่าใช้ปัญญาสอนใจให้วางเรื่องที่ทำให้ไม่พอใจได้แล้วพอทดสอบโดยพยายามไม่คิดเรื่องนั้นแล้วใจรู้สึกเฉยเฉยทุกครั้งจนผ่านไปเป็นสัปดาห์อยู่ๆก็เกิดนึกเรื่องนั้นขึ้นมาเองและเกิดความรู้สึกด้านลบโถหลงคิดว่าใช้ปัญญาเอาชนะกิเลสได้แล้วทำไมใจมันกลับกรอกค ร, บระบอาจารย์แล้วต้องทำอย่างไรต่อไปคะก็เพราะว่าปัญญาของเรานี่มันยังไม่ ไม่สามารถเข้าไปถึงรากแกรนรากของกิเลสได้อาจจะเป็นเหมือนกับตัดตัดต้นตัดกิ่เดี๋ยวมันต้องงอกขึ้นมาใหม่ปัญญาที่จะถอนรากของกิเลสนี้ได้ต้องเป็นปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนเคอร์มิวเบงาที่เราเรียกว่าภาวนาเมญะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้คิดนี่มันมีกำลังไม่พอมันอาจจาะ มันอาจจะระงับได้เป็นเป็นเป็นผิวเผิเนี่ยมันยังไม่ถึงล่างถึงโคนได้มันถึงล่างถึงโคนนี่ต้องใช้ปัญญาแบบภาวนาะเมตตปัญญาต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิทําจิตให้รวมเป็นสมาธิให้มีกุเบกากนทีนี้เนะี่ยเวลาเราพิจารณาปัญญาเนี่ยมันจะไปถึงหน้าของของกิลเลสคือความหลบคุณน้ําฝนครับ สอบถามผู้อาจารย์ค่ะถ้าเรามีอาการน้อยใจแม่ตัวเองแล้วทําเป็นเงียบไม่พูดคุยด้วยแต่ไม่ได้เถียงเราจะบาปมากไหมเจ้าค่ะอ๋อไม่บาปครับแต่ก็อย่าไปไม่อย่าไปน้อยใจมากกันไปต้องต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องของแม่บาที่แม่เขาทําอะไรก็เป็นเรื่องของแม่เขาเราต้องเคารมแม่แล้วอย่าไปน้อยใจเวลาน้อยใจเพราะเราต้องการ สินั้นสินี้จากแม่พอเราไม่น่าจากแม่เราก็เลยน้อยใจมันโทษตัวเราเองโทษก่เลสของเราดีกว่าที่นักที่เราน้อยใจก็เพราะว่าเราไปหวังไปอยากได้อะไรจากแม่ซึ่งบางทีแม่เขาอาจจะให้เราไม่ได้ก็ได้อย่าไปหวังเราจะได้แม่น้อยใจเราพยายามเลีย้ย ง, งถือบุญคุณของแม่อยู่เรื่อยๆพราะแม่เขาให้เราอต้องเยอะแยะให้เราคกำเนิดเรามานลีดูเรามาให้อะไรมากมายก่ากอง งั้นอย่าไปอย่าไปเสียใจน้อยใจกับสิ่งเล็กเล็กน้อยที่แม่เขาไม่สามารถให้กับเราได้นะคิดอย่างนี้เราจะได้ไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกน้อยใจแตการเยี่ยมนี่ก็ดีแล้วลนะ่ะดีกว่าไปพูดไปพูดไปเถียงไวปว่าไปเอย่ไปทะเลาะกันอย่างนี้ยิ่งิอย่างนี้จะบาปแต่ถ้าเราเฉยๆแบบนี้ไม่เป็นไร คุณมณีนุชครับถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่มีแต่ความเกลียดชังกันเราจะวางใจอย่างไรคะเราก็วางใจด้วยความเมตตาเราใช้เมตตาแล้วก็เมตต า, ตาทุกคนไปเขาจะเกลียดกัเปนของเขาแต่เราไม่เกลียดกับเรากันเราอย่าไปเกลียดตามเขาเพราะเราเป็นคุณปิยวันคะขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะหากมีโยมถวายพระตาอาหารพระด้วยการจัดหาอาหารอันปราณีและมีการประกาศรายการอาหาร ให้พระทราบก่อนฉันและการฉันของพระฉันก็จะใช้จานช้อนพระนั่งล้อมวงโต๊ะกลมไม่ได้ฉันได้บาตอย่างนี้ถือว่าถูกต้องไหมคะับก็แล้วแต่ว่าพระท่านถือธุดงควรหรือเปล่านะถ้าพระที่ท่านไม่ถือธุดงค์ไม่ฉันได้บาตรท่านก็ฉันได้นิมนไปตั้งโต๊ะจีนได้ทำไมที่เราบวชบวชใหม่ๆอยที่วัดประวัก็จะมีญาติโยมไปเลี้ยงพระแล้วจะจับโต๊ะจีนนิมนต์พระไปนั่งโต๊ะกันแล้วก็ อันนี้ก็เป็นปกติของวัดในบ้านในเมืองเพราะท่านไม่ได้ถือธุ ด, ดงค์ขวัดที่แล้วจันในบาทแต่ถ้าพลาดที่ท่านถือธุ ด, ดงท่านก็จะไม่ท่านก็จะไม่นับนิมนแบบนี้อ๋อที่ฉันในบาท น, นี้เป็นวัดไม่ใช่ศีลใช่ไหมครับอาจารย์เป็นงั้นเป็นเป็นข้อวัดพิเศษกเพอข้าวัดพิเศษที่จะเกการมั่งน้อยสันเดินครับ ตัวตรงคือว่านส่วนใหญ่เป้าหมาย ก, ก็คือให้ฝึกฝึกให้ให้มีความมักน้อยสันโดษในในปัจจัยสี่คุณทวิชาติครับขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์สุญญาตากับพระนิพพานต่างกันอย่างไรครับคําว่าสุญญาตาแปลว่าความว่าเหมือนเวลาที่เราขึ้นไปในอวากาศเนี่ยเราก็จะไม่เจออะไรไม่เห็นอะไรนั่นนั่นก็คือความว่าง คำว่าสุดนตาแปลว่าความว่าพะนิพพานก็คือพระนิพพานก็คือจิตที่ที่ว่างจากที่เลียัธหาความโลภความโกรธความหลงว่างจากความท์ต่างๆที่บางทีเขาก็เลยใช้คําว่า่งแทนพรนิพพานเพราะพระเจ้าบอกว่าพรนิพพานก็เป็นปรามังสุดยอดนะครเป็นอ่าเป็นเป็นปรามังก็เป็นก็คือเป็นความสูงเป็นความสูงที่เป็นความว่างที่ ที่สุดๆดเนี่ยเป็นเป็นคาราเลมลแต่ว่านี้ในสัมัความว่าเป็นคาราเมลก็คือพันธุพันเนี่ยราะ ว, ว่าจากกิเลสตัณหาว่าจากความโลภความโกรธความหลงต่างๆ ว, ว่าจากความทุกข์ต่างๆคุณอัชลาครับ ถ้าภาวนาพุโทโธจับลมหายใจเข้าออกและนับจํานวนไปด้วยเกิดประโยชน์ไหมครับเช่นหายใจเข้าออกนับหนึ่งสองสามถึงร้อยอย่างนี้ครับมันก็จะทําทให้ใจต้องทํางานอยู่เรื่อยๆ เ, เป้าหมายของการภาวนาเพื่อให้หยุดใจหยุดไม่ให้ทํางานที่เบื้องต้นถ้าเบื้องต้นใจเรายังคิดมากอยู่แล้วครับจะเอาความคิดนี้มาคิดด้วยการนับลมหายใจแทนไปก่อนก็ได้ถึงระยะหนึ่งนะพอเรารู้สึกว่า ใจเราไม่ไม่ฟุ้งซ่านนะครับเราควรจะหยุดคิดแล้วให้ดูเฉยเฉยพระเจ้าสอนให้ดูลมเฉยเฉย อ, อย่างเดียวไม่ต้องให้พุทเข้าโทรออกแต่อย่างใดแต่เนื่องจากคนบคนเวลาเริ่มทํำใหม่ๆนี่ดูดูลมเฉเฉยมันดูไม่ได้เพราะมันจะชอบปั๊ไปคิดดังนั้นคิดดังนี้ก็เลยเอาความคิดที่ว่าไปคิดเรืองนั้นเองนี้มาคิดกับลมแทนแ ล, ลมเข้าก็ว่าพุทธลมออกก็ ว, ว่าโทรดูบางคนก็ใช้การนับ หายใจเข้าออกครั้งก็นับหนึ่งหายใจเข้าออกอีกครั้งก็นับสองไปอันนี้เป็นการเป็นการฝึกเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นไปได้เราต้องการฝึกในแบบที่ไม่ต้องใช้ความคิดเลยให้ดูเฉยเฉยให้ดูเฉยเฉยดูลงเฉยเฉยคุณรำรวยครับก่อนปีใหม่บวชศีลอุโบสถ อันนี้สงต่างกับศีลธรรมดาไหมคะศีลอุโบสถขาดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าขาดทั้งหมดหรือเปล่าเจ้าคะอันนี้เราไม่ทราบกันนะแต่เท่าที่เราทราบคือศีลอุโบสถก็คือศีลแปดทีนี้เขาเรียกที่ศีลอุโบสถเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมของชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยผานพระเขาอยากจะไปถือศีลแปดที่วัดกันที่ที่วัดก็ไม่มีที่อยู่ให้ให้ญาติโยมอยู่่วัสดส่วนใหญ่วัด ในบ้านในเมืองจะไม่มีที่พักให้ญาติโยมอยู่ญาติโยมก็เลยไปขออุโบสถเป็นที่อยู่ในวันที่ไปไปไปปฏิบัติถือศีลแปดกันก็เลยเปลี่ยนก็เลยเรียกศีลแปดที่เวลาไปอยู่ในที่วัดว่าเป็นศีลอุโบสถเท่านั้นเองก็เป็นศีลแปดเหมือนกันไปการเจริญได้คัมภีร์บาลมีศีลแปดนี้ก็เพื่อที่จะตัดไม่ให้เราไปยุ่งเกี่ยวกับมูขเสียงกิดว่าต่างๆ ถ้าไปรักษาที่บ้านมันยากเพราะคนที่บ้านกขาไว้รักษากันคนที่บ้านก็ยังกินข้าวเย็นก็ยังดูหนังฟังเพลงอะไรอยู่พอเราไปไปฝึกอยู่ที่บ้านมันก็จะทําให้ตับแตกเหนือยทาไม่ได้ก็เลยไปขอวัดอยู่ไปขอวัดวัดก็ไม่มีที่ไหนให้อยู่ก็ลยให้ไปนอนที่บโบสถ์กันญาตาโยมที่ไปถือศีลแปกก็เลยไปพักที่ที่โบสถ์กันไปฟังเทศนําั่งทที่โบสถ์แล้วก็ไปฝึกสมาธิไหว้พระส่วนมนตที่โบสถ์กัน แล้วก็นอกที่โดดกันจนขนาดถึงตัดเชา้าถึงยาลาสีส่วนการที่ว่าขาดสีข้อใดข้อหนึ่งว่าถือขาดมันมันเป็นไปไม่ได้หรอขาดข้อนี้แล้วมันทําให้ข้อเดิขาดมันได้ยังไงเพียงแต่มันจะบอกว่ามันสีไม่ครบเท่านั้นเองได้อยู่สีแปดไม่ครบแล้วถ้าเกิดคุณเผลอไปกินข้าวเยน็นแล้วลืมไปวอนี้ถือสีแปดกินข้าวเย็นเสร็จแล้วสิ่งอย่างมารู้อย่างเงี้ยคุณก็ขาดข้อนั้นข้อเดียวไปข้อที่ ขาดข้อหนึ่งถ้าคุณยังรักษาอยู่ได้คุณก็ไม่ขาดเพราะจากคุณพานว่าถ้าขาดข้อนี้แล้วกู้มันรักษาเลยดีกว่ามันเป็นขาดไปหมดเลยอย่าง้นมันก็ขาดมนะมันอยู่ที่การรักษาถ้ารักยังรักษาอยู่มันก็ไม่ขาดข้อไหนที่เราไม่ได้รักษามันก็ขาดข้อนั้นข้อเดียวอันนี้ผู้ตามแนวปฏิบัติเนีะแต่แนาความเชื่อไม่รู้เขาเชื่อยังไงเขาอาจจะเชื่อว่าถ้าขาดสินข้อนี้ปั๊บก็ถือว่าสินแตกก็ขาดไปหมดเลอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นความเข้อาใจก็ เขาเชื่อเรอาได้อย่างไรก็ไม่รู้รเพราะอย่างที่บอกความเชื่อในศาสนาพุทนี่มันมีเลอ ะ, ะเทอะไปเยอะันหมดแล้วไม่ได้มีเหตุมีผลเลยรครับคุณอ้อครับตอนนั่งสมาธิจิตว่างเปล่าหายไปนานแค่ไหนไม่แน่ใจมารู้ตัวอีกทีตอนเท้ากระดิกแต่นั่งต่อได้คืออะไรคะถ้าไม่รู้เลยก็คิดว่านอนหลับก็หลับมากกว่า ถ้าไม่หลับถ้ารูตัวตลอดเวลาก็เรียกว่าเป็นสมาธิคุณนาราครับถ้าเดินจงกรมและฟังธรรมไปด้วยได้ไหมคะได้สมาธินี้เพราะเรามีเครื่องเครื่องความอยู่แต่ถ้าจะให้ดีก็นั่งฟังธรรมอันนี้ก็บางที น, นี่ทตองพูดไปไดีกว่าแต่ว่าเดินไปฟังธรรมไปด้วยก็ได้ ถ้าจะดีเดินแบบไม่ฟังธรรมน่าจะดีกว่าเพราะจิตใจเราจะได้มีการจดจ่ออยู่กับการเดินเพราะถ้าเราฟังธรรมไปด้วยเดินไปด้วยจิตใจเราอาจจะแบ่งเป็นเป็นสองที่ฟังธรรมแล้วก็ต้องมาดูทางเดินเนาด้วยว่าเรากําลังเดินไปข้างหน้ามีอะไรอยู่หรือเปล่ามันก็จะไม่ได้จดจ่ออยู่กับกาฟังธรรมอย่างต่อเนื่องถ้าอยากจะฟังธรรมวิธีดีสุดก็คือนั่งฟัง คุณกนกวรรณครับหลวงตาเราจะทําอย่างไรดับใจที่มันคิดฟุ้งซ่านต่างในขณะนั่งสมาธิคะต้องฝึกสติให้มากกว่าที่ก่อนที่เรามานั่งเยถ้าเราไม่มีสติมานั่งใจก็ฟุ้งซ่านเราไม่ควบคุมความคิดก่อนเราต้องคอควบคุมความคิดไม่ให้มันคิดมากก่อนเราถึงเวลามานั่งสมาธิมันถึงจะได้ไม่คิดฟุ้งซ่านก็ต้องฝึกสติตั้งแต่เราตื่นจนหลับเลยยิเว็นเวลาที่เรา เวลาที่เราต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ให้มันคิดได้แต่ถ้าเราไม่มีคอจะเป็ น, นยังต้องคิดเรื่องนั้นเ่อนี้ก็้มันให้มันอยู่กับพุโทโธให้มันคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปฝึกพุพโทโธไปเรื่อยๆก่อนแล้วเวลามานั่งสมาธิมันจะได้ไม่ฟุ้งซ่านคุณบีครับการทําของใส่ผู้อื่นมีจริงไหมคะทําไมพระแถวบ้านท่านบอกว่ามีแต่ในใจดิฉันคานครับ ยังก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะรนก็ไม่ไม่ม่ไม่สามารถที่จะตอบได้ครับคุณอัชชาครับการปฏิบัติคือการหมดความชอบชังใช่ไหมเจ้าคะกดวิทยาศาสตร์ที่ว่าประจุไฟฟ้าเดียวกันมาเจอกันจะปลดปล่อยหรือผลักกันถ้าต่างขั้วกันจะนึงดูดเข้าหากันหลักนี้จะใช้กับคนอื่นที่มาเจอกันแล้วชอบชังหรือไม่เจ้าค่ะไม่หลักความชอบความชังนี่มันเกิดจาก คือถ้าเราเคยชอบมันก็เราก็จะชอบถ้าเราเคยเคยชังเราก็จะชังอันนี้มันเกิดจากการปลูกฝังมาในอนดีตบางทีเราก็ถูกปลูกฝังให้ชังเรื่องนั้นชอบเรื่องนี้เรากเราก็เชื่อตามที่ เ, าเขาปลุกฝังมาเล้นบางทีเราไปเกิดในครอบครัวที่ที่ไม่ชอบกินเนื้อสัตว์เนี้ล้วก็อาจจะเด็กนิสัยไปกับเขาไม่ชอบกินเนื้อสัตว์ที่มชังชังเนื้อสัตว์ได้ อันนี้ เ, นเรื่องของการปลุกฝั ง, ก, งการการปฏิบัตินี้ก็เพื่อการตัดความอยากไม่ให้ความความอยากต่างๆซึ่งมันก็เกิดจากความชอบความชังนี่เหมือนกันด้วยการทําใจให้เป็นกลางคือไม่ชอบไม่ชังให้เป็นอเวคาจากเชฟฟูครับ พอทำสมาธิเห็นสภาวะของการน้อมสลัดออกเห็นอาการของการเกิดของการโน้มไปจับของตัววิญญาณแล้วเกิดการผุดขึ้นของจิตและจิตนั้นย้อนดับลงมาแล้วเห็นทุกอย่างตามความจริงไม่มีความยินดีพอใจเห็นสภาวะตามจริงโดยไม่มีอะไรประยึดอีกพอนั่สมาธิพอนั่งสมาธิมาปัจจุบันเกิดแต่ความว่างเห็นแค่กระแสลมต้องเดินอย่างไรต่อครับ ก็นังให้มันนานให้จิตว่างนานสงบนานแล้วให้มีความสุขเพราะที่เราจะได้ใช้ความสุขที่เราได้จากสมาธินี้มาระงับความความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาผมจะบอกเน้นกายกันต่อไปก็พยายามละความสุขต่างตาผมจะบอกเน้นกายให้หมดไปให้ได้อย่าไปอย่าไปดูไปฟังอะไรเพื่อให้เกิดความสุขอย่าไปกินไปดื่มอะไรเพื่อให้เกิดความสุขอย่าไปเที่ยวที่นัานที่นี่ ว่าสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเหมญอนยเสพตที่เราต้องละให้ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ละเรายัางชอบอยู่เวลาเวลาที่เราอยากเมื่อเราไม่สามารถไปทําตามความอยากได้เราจะทุกข์มากแต่ถ้าเราเลือกละ เ, เราสามารถทําความสุขจากการนั่งสมาธิได้เราก็ไม่ต้องไปไปหาภวามสุขทางตามูจบูกนิ้าต่อ คุณศิริการครับพระที่ทําผิดวินัยสง์ไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราทําบุญกับท่านเราจะได้บุญไหมคะเพราะเราไม่รู้ความจริงได้บุญนี้ไม่ได้เกิดจากกังว่าคนที่เราทำด้วยมีศีแล้วไม่มีสีวพาทําบุญกับสุนัขสุนัขเขาไม่มีสีเราก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบุญเกิดจากการเสียสละของเราไม่ได้เกิดจากคนที่เราไปทำบุญด้วยว่าเป็นคนดีหรือคนชั่ว บางทีคนช่วยเราก็ต้องช่วยเขาถ้าเขาเกิดอดอยากขาดแคลนขึ้นมาบนี้เราก็ช่วยเหลือเขาไม่มีข้าวกินเราก็หาค่าแล้วกินอย่มันก็แล้วก็ได้บุญแม้ว่นไม่ได้อยู่ที่บุคคลที่เราทําด้วยว่าเขาเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีคนดีไม่ดีนี่มันก็มีเมมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือว่าถ้าเราไปทำบุญกับคนดีก็จะได้สนับสนุนให้คนดีไปทําความดีต่อไป ถ้าเราไปทามุญกับคนไม่ดีลรวก็ไปสนับสนุนให้คนไม่ดีได้ไปทาสิ่งที่ไม่ดีต่อไปเทานี้คุณทิพย์พยพ์ครับพระอาจารย์คะสอบถามค่ะกอดนอนจนท่องพุทธโธทุกครั้งพอหลับตาเหมือนมีดวงตาเขียวมามองเราอยู่แปลกมากค่ะสงสัยคะ่ะคืออะไรสงสัยพยายามเพ่งมองเห็นแตาตาครับรมันเป็นเรื่องปรุงแต่งของจิตเราแล้เองไม่ต้องไปสนใจนะ คุณนาวาครับหนูนอนภาวนาแล้วจิตแยกออกมามีสติตลอดรู้ว่าอยู่ในอีกมิติหนึ่งยังมีความคิดยังมีอารมาณ์พิจรารณาภาวะนั้นอยู่สักพักหนึ่งหนูก็นึกพุโทโธทีจิตก็เคลื่อนมาประสานกับกายเหมือนเดิมค่ะตัวเย็นไปหมดเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่หนูรู้จักตัวรู้ที่หนูทํานั้นมีอะไรผิดพลาดไปไหมครพระอาจารย์ถ้าเกิดอีกควรต้องทาอย่างไรคะก็มันไม่ได้เป็นวิธีทำที่ถูกต้อง วิธีทำสมาธิที่ถูกตอนน้องนี้ต้องให้เรามีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุทโธนั่งลงหายใจเข้าออกนีอย่างเดียวอย่างที่ทําอยู่นี่เราก็ไม่รู้ทําแบบไห น, น, นรเราต้องรู้ว่าทำเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เลยตอบไม่ไว่าถูกหไม่ถูกแต่วิธีที่ถูกที่รู้ก็คือให้เวลาทําสมาธิให้ใจมีสติรู้อยู่กับเรื่องเดียว ถ้าจะรู้กับพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอย่าไปนสนใจกับเรื่องไหนแล้วจิตจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างแท้จริงผลที่หนูได้นี้ก็จะเป็นผลอะไรอาจจะเป็นผลที่หนูคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองก็ได้จิตปรุงแต่งขึ้นมาเองก็ได้ซึ่งไม่ได้เป็นผลที่ที่ถูกต้องผลที่ถูกต้องก็เป็นผลที่เกิดจากการยุติการปรุงแต่งของจิตอยู่ที่การผ่อนวางของจิตแล้วจิตก็จะว่างจะเย็นจะเบาจะสบายยินับ จะทำพันธนา ท, ที่ถูกตั้มใน้ได้มีสติรู้อยู่กับผู้โทรอย่างเดียวรูยู่รอยู่กับลมหายใจเข้าออกเพลงอย่างเดียวอยากไปรู้เกี่ยวกับอะไรคุณหลินครับสอบถามพระ้าจารย์กรณีสอนลูกสอนลูกอาจจะมีเสียงสูงเสียงดังเหมือนอารมณ์โมโหไม่ได้โกรธลูกแต่ต้องใช้เสียงดูดเดี๋ยวจะสอนลูกไม่ได้หนูคิดถูกไหมเจ้าคะไม่ได้โกรธแต่ใช้น้าเสียงดูดปราบกิเลสลูกแต่ไม่ได้ตีเจ้าขา ถ้าไม่มีความโกรธก็ก็ใช้ได้ถ้าใช้ใช้ความโกรธมันก็จะไม่ดีเพราะมันเป็นอารมณ์แล้วคนที่เขาเขาเขาฟังแล้วก็าอาจจะไม่เชื่อเราก็ได้เพราะเราใช้อารมณ์ของเขาแต่ถ้าเราใช้เหตุใช้ผลแต่เราอาจจะใช้ความดุดันมากเพื่อตอบตอบย้ําความเหตุผลที่เราต้องใช้อันนี้ก็ไม่เสียหายตรงไหครูบาอาจารย์นี่นก็ดุดาพัดเอง ท่ในใช้คำที่หนักหนักว่าฮานิงโง่แล้วกันโน่นนี่ไม่ได้เรื่องเลยท่านก็คอยพูดไม่มีสติไม่มีสตางค์นี่ก็พูดได้แต่เป็นเป็นกิิยามันไม่มีอารมณ์ติดมันไม่มีอารมณ์ตามัด้วยคุณมาคศีครับได้ฟังพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องฝันดีฝันร้ายในยหลายๆครั้ง ว่าถ้าเราทำบุญมากเราจะฝันดีถ้าทำบาปมากเราจะฝันร้ายสำหรับคนที่ไม่ค่อยฝันเลยเราจะเป็นคนมีบุญมากหรือน้อยค่ะมันก็สายที่ไม่ค่อยฝันเลยก็อาจจะเป็นเพราะจิตเราไม่ค่อยปลูกแต่งอาจจะฝึกสมาธินมามากก็ได้ในฝันบ้างแต่ฝันน้อยเรื่อบางทีจิตบางบางทีมันขี้เกียจก็ได้เวลานอนมันก็เหนื่อยมันก็ไม่อยากจะคิดอะไรคก็มันก็ไม่มีความ นั่นมันจะมากหรน้อยไม่สําคัญให้อยู่ที่ว่าเวลาฝันเนี่ยฝันดีหรือฝันร้ายก็แล้วกันคุณนันทิพรครับกราบเรียนเจ้าค่ะถวายของแด่ท่านพระอาจารย์อยู่ดีๆเกิดอาการตัวแข็งนิ่งว่าเปล่าไม่อยากตอบท่านได้แต่สายหน้าแต่ได้ยินแต่เสียงท่านไม่ได้กลิ่นอะไรใช่อาการสมาธิใหมเจ้าค่ะ <c oughs> ไม่ไมไมผมอาจจะเป็นทางการเปลงเรื่องากเรืออาการ อันนี้ก็ไม่ร่ราบแตคงจาานะคุณมากระสีครับโบราณว่าเมตตาเขาเอ็นเราขาดหมายความว่าอย่างไรเมตตาเขาแต่เขาไม่รับรู้เลยเราต้องทําอย่างไรต่อไปครัไม่รู้เหมือกันนะว่าคําว่าเ อ, เอ็นเราขาดนี้แปลว่าอะไรอันนี้ตอบไมได้แต่การ ท, ที่เรามีความเมตตาเขาเขาไม่รับรู้ก็ไม่เป็นไร ว่าเราไม่ต้องการอะไรจากเขาการเมตตานี้เราต้องการสิ่งที่เราต้องการจากความเมตตาก็คือความสุนใจที่เกิดขึ้นกับตัวเราแต่เราเมตตาเพรา้วเราเรา ม, มีความสุนใจก็ใช่ได้นะแต่ก็จะนึกไม่รู้นะ ไ, ม ไ, มไม่สําคัญเรียกปิดทองหลังผ้าปิดทองหลังผ้าคุณขวัญวันนะครับทําไมคนถึงกลัวผีครับหรือพอเห็นคนตายครับ เพราะมันเป็นสิ่งที่น่าเกลีดน่ากลัวทั้งกลัวกันคุณวรพัฒน์ครับจำเป็นไหมครับว่าวาระดับของการบรรลุธรรมจะขึ้นอยู่กับการเน้นสั่งสอนในเรื่องนั้นๆครับมันก็มันก็ต้องทำข้อสอบในแต่ละเรื่องถึงจะบรรุธรรมได้ยองก็ต้องมันก็เหมือนกับเราไปสอบวิชาต่างๆละละเวลาเรียนหนังสือ ในวันนี้สอบคอนเทนต์เราก็ต้องไปดูแต่คันเทนอย่างเดียววันพรุ่นี้สอบวิทยาศาสตร์เราก็ไปดูเรื่องวิทยาศาสตร์การปฏิบัติธรรมก็เราก็มีข้อสอบที่ต้องทําข้อสอบของพระโสดาบันข้อสอบของพระสกีรนาคาพระอนาคาพระหลักข้อสอบแต่ละข้อนี้ก็ไม่เหมือนกันของแต่ละขั้นก็ไม่เหมือนกันคุณกัญญานัตครับ กราบพระอาจารย์ถ้าเราเคยพูดไม่ดีกับแม่และตอนนี้คุณแม่ท่านเสียแล้วหนูจะรู้สึกผิดต่อแม่มากๆค่ะทํายังไงเราจะลบความรู้สึกผิดแบบนี้คะทุกวันนี้หนูใส่บาตรและขยันทำ บ, บุญให้คุณแม่ตลอดแต่ยังรู้สึกผิดเราจะต้องทําอย่างไรคะกราบคํารู้สึกผิดนี้มาสอนใจแล้วว่าต่อไปเราอย่าทำอย่างนี้ทําแล้วก็จะเกิดความรู้สึกอย่างนี้แต่ส่วนที่มันผ่านไปแล้วเราก็เราทําำเราก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงมันได้นะคะ เราทำได้คือต่อไปเราก็อย่าไปทําแบบนี้คือแบบนี้กับกับคนอื่นีกับพ่อหลืกับผู้ที่มีพระคุณกับเราเราเอาเอาเอ า, เอาการผิดพล้ของเรามาเป็ น, เ ป, นเป็นบทยืนสอนหลับเท่านั้นเองสิ่งที่เราจะทําได้คุณการชะตาครับเป็นคนจิตเศร้าหมองง่ายขอวิธีประคองจิตไม่ให้หมุนหมองง่ายเจ้าคะ่ะที่เรา ขาดสติแล้วชอบไปคิดในเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เราไม่สบายใจทำให้เราองเราะั้นพยายามหยุดความคิดด้วยสติพยายามฝึกพุทโธพุโทพโธอย่าคิดมากคุณปัตตมาพบวันครับหากต้องการที่จะศึกษาทางธรรมให้รู้แจ้งแตกฉานควรศึกษาปริยัติและปฏิบัติควบคู่กันไหมคะหรือควรมุ่งไปที่การปฏิบัติเลยคะ ก็ต้องปฏิบัติก่อนนะต้องศึกษาก่อนถึงจะปฏิบัติได้เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องเราไม่ต้องศึกษาแบบแบบอะไรอะแบบแบบพระตายทั้งพระตายปิดอกเราศึกษาเฉพาะเรื่องไปเช่นท่านสอนให้เรา ป, ปฏิบัติสามเรื่องคือทานศีลภาวนาเราก็ศึกษาสามเรื่องนี้ก็พอไม่ใช่หรศึกษาท่านบอกให้ทําทานทํำยังไงทําทานก็ใ ส, ส่บาตรสิ เลบวยจากทรัพย์ให้กับคนนี้คนนี้ไปนี่ก็เรียกธรทานนะการปฏิบัติศีลศีลมีอะไรบ้างก็ไปศึกษาดูไปเรียนอยูเอาศีลมีศีหน้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่เพิ่มผิดประเพณีไม่เดือดร้ายาเมาไม่พูดปดละแล้วก็ทําไปเท่านั้นเองอย่าไปไม่จำเป็นต้องไปเรียนอภิธรรมต้องไม่ต้องไปเรีย น, ย ร, ยนรู้วาระ จ, จิตสมาธิระดับนั้นระดับนี้ อาไปที่ละขั้นที่เราปฏิบัติกันแล้วกันถ้าเราอยู่ขั้นทานก็ศึกษาเรื่องฐานถ้าเราอยู่ขั้นสีก็ศึกษาเรื่องสีถ้าเราอยากจะขึ้นไปสู่สมาธิแล้วก็ศึกษาเรื่องสมาธิตามลำดับต่อไปแล้วก็ปฏิบัติควบคู่กันไปคุณเตชินีครับได้รู้จึกวัฏยานทรภาพฝันเห็นเหมือนพระพุทธเจ้าชี้ทางสว่างมาให้ได้ฟังทางกับพระอาจาร์แบบนี้เรียกว่าธรรมะจัดสรรได้ไหมคะ ก็จะว่าจะว่ายอย่างนั้นก็ได้ถ้าเราไม่ได้ไปแสวงหามันมันมาหาเราเองธรรมะจัดสรรก็คือเราอยู่เฉยๆแล้วธรรมะก็จัดมาให้เราเมื่อเราคิดนึกถึงคนอื่นที่เราพบเจอแล้วนึกภาพหน้าตาคนนั้นในหัวภาพเหล่านั้นตัวนั้นคือมนโนวิญญาณใช่ไหมครับคือสัญญาเป็นสัญญา ความจำเรานึกถึงภาพใครแล้วก็จะจุกฝังไว้ในใจเราแล้วเราก็จะนึกถึงภาพนั้นขึ้นมาเวลาเรานึกถึงภาพนั้นก็เรียกว่าสัญญาไม่ใช่มโนวิญญาณมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับการเรียนพระอาจารย์เจ้าขัดพระที่บินทบาทโดยใช้รถถูกต้องไหมเจ้าคะก็ไม่มีข้อห้ามถ้าท่านกิไม่สามารถที่จะเดินได้แต่ท่านยังอยากจะทําภารกิจนั้นอยู่ท่านก็ นั่งรถก็ได้อ้าพายเรือบินบ่าก็มีนั่งแพก็บินนบ่าก็มีอันนี้ไม่มีข้อห้ามก็เป็นการบินนบาาเหมือนกันแต่แบบเดินก็คือการเดินทีนี้ถ้าเกิดมีเหตุเหตุอะไรที่มันบังคับให้ต้องทําเดินไม่ได้เั่นอยู่ในน้ําเดินไม่ได้ก็ต้องพายเรือหรือนั่งลอยแพไปหรือท่านถ้าผู้ชรนาแล้วเดินไม่ได้ ท่านก็นั่งรถกลอล์ฟไปทำไมที่กูบาจันตรงนู้ทางก็นั่งรถกลอล์ไปครับแล้วก็ให้ญาติโยมได้ใส่บาตรแต่การการะทําของท่านนี่ส่วนใหญ่มันเกิดจากการไ ป, ไปสงเคราะห์ญาติโยมมากกว่าสงเคราะห์ ต, ตัวท่านเองคือถ้าท่านไม่เปบินลำบาก ท, ท่านก็มีกินมีคนเอาไปถวายถึงกุฏิกันะนะแน่ที้ท่านสงสารคนที่อยากจะทําบุญแตาไม่ได้ทําไม่ได้ทําบุญเพราะก็ไม่สามารถมาวัดได้แต่ถ้าเราไปที่บ้านเขามันจะง่ายกว่า ท่าก็เลยไปที่บ้านเขาไปให้เขาได้มีโอกาสได้ทําแล้ะของที่ท่านได้มาแต่ท่านก็จะไม่ได้กินแต่ท่านก็เอาไปทําทานต่อสงเคราะห์คนที่ยากจนคนที่ไม่มีข่าวกิดต่อไปได้เน้นบางทีท่านทําไม่ได้ทําเพื่อตัวท่านเองถ้าทาเพื่อตัวท่านเองท่านก็ไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งรถให้เสียเวลาอยู่วัดเฉยๆก็มีลูกถิษเอาอาหามาถอาอยู่ทุกวันคุณเชื้อครับ กับพระอาจารย์มีญาติหรือเพื่อนยืมเงินเราไปแล้วยังไม่คืนจะวางใจอย่างไรให้ไม่สนใจคะคิดว่าเป็นการทําบุญไปก็แล้วกันให้เขาไปหรือคิดว่าเป็นการถูกขโมยไปก็ได้อย่างได้อย่างหนึให้คิดอย่างนี้เราจะสบายใจเวลาถูกขโมยไปแล้วเราคงไม่หวังเอาคืนนะใช่ไหมครับหรือว่าเวลาเราทําบุญแล้วเราก็ไม่หวังเอาคืนอยู่ดีให้คิดอย่างนี้เราจะเราจะสบายมีความสุขอย่าไปคิดว่าเขายืมเราแล้วก็ เขาเขาเป็นนีเราคิดว่าเราให้เขาไปทําบุญไปให้เขาไปสบายใจส่วนถ้าจะเขาจะมาคืนก็เอ็เรื่องเขานไปเราก็รับึ้นได้ครับคุณต่ายครับหากเราตั้งใจปฏิบัติภาวนาอยู่บ้านสลับกับไปปฏิบัติที่วัดหากมีข้อสงสัยจะขอสอบถามพระอาจารย์อย่างนี้จะมีโอกาสบรรลุธรรมได้ไหมคะได้อยู่การปฏิบัตินี้ บรรูได้ที่ไหนก็ได้ถ้าเรามีไม่มีสติสมาธิปัญญาพอมันก็สามารถบรรลุได้คุณนาวาครับผู้มีพระคุณขอให้ซื้อบุหรี่ไปฝากถึงไม่ผิดศีลแต่ถ้ามองในเรื่องเกิดโทษ ต, ต่อร่างกายก็ไม่ควรตามใจใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ตามใจนะเราจะเราจะเลิกทำยังไง <c oughs> เราจะตอบแทนมูลคุณเขาเราก็ทำตามที่เขาขอร้องถ้าเรา ถ้าเราไม่ต้องการจะตอบแทนบุญคุณเพราะเราไม่อยากจะให้เขาอ่าเขามีเท่าต่อร่างกายเขาเราก็ไม่ทําแต่บางการจะทําให้เขาที่เวลาจะเป็นคนเนรและคนก็ได้คนไม่คนไม่กระตันอยู่ก็ได้ยังมันก็มันก็ต้องดูด้วยดูหรือว่ามัน <c oughs> มันมันควรแล้วไม่ควรอันนี้ก็แล้วแต่คุณแอ น, นาครับ อาจารย์ช่วยแนะนำการเดินจงกรมด้วยค่ะก็เดินด้วยการมีสติไงเวลาเดินก็ให้เราเดินไปตามทางที่เราตั้งไว้ทางเดินที่เราตั้งไว้เดินระยะทางสิบห้าถึงยี่สิบเก้าป็นอย่างต่ำนะถ้าม่ยาวกว่า น, นั้นก็สามสิบถึงสี่สิบเก้า็ได้แต่ คนยังไม่ต่ํางกว่าสิบห้าหรือยี่สิบเก้าเพราะมั น, ม, นมันต่างมากมันจะเวียนศีสัะเันาะเดินั้นๆเราต้องหมุนกับให้เดินไปตามปกติเหมือนเราเดินไปไหนมาไหนอย่างเงี้ย ต, ต่างกานท่องเที่ยวเราเดินเราให้มีสตอิอยู่การเดินให้เราดูเท้าเราหรือให้เราเดินไปกับพุโทโธไปให้เราบริกับพุโทโธพุโทโธไปภายในใจเพื่อไม่ให้ใจเราไปคิดอะไรเดินไปถึงพอสุดทางแล้วก็ เ, เลี้ยวกลับหันกลับแล้วก็ เ, เดินกลับมา เดิไปเดินมายี่จังกว่าเราจะอ่าได้ความสงบได้ผลแล้ว เ, เราเดินไม่ไหวแล้วแล้วก็เปลี่ยนมานั่งแทนเวลาเรามานั่งมันก็มาดูลมหายใจแทนแทนที่จะดูเท้าเราก็มาดูลมหายใจหรือถ้าเราใช้พุโทโธเราก็มาพุโทโธต่อได้อาจารย์ครับนี้ถ้าเดินระหว่างวันที่รู้ตัวรู้เท้ากระทบอย่างนี้ถือว่าเป็นการเจริญสติแต่ไม่ใช่เป็นจงกลมใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่มันก็เหมือนกันนะจงกรมกเ็เป็นการเดินที่มีมีคุณลักษณะที่เรากําหนดทางเดินของเราไปแต่ถ้าเราเดินทําภารกิจอะไรต่างๆแต่เราไม่สติก็เหมือนเดินจงกรมนี่เพียงแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีทางเดินที่เรากําหนดไว้เราเดินจากที่ทาํางานไปเข้าห้องน้าเนี่ยเราก็มีสติว่ถือว่าเราเดินจงกรมได้เอาจาห้องน้ําำมาเราก็มีสติเดินกลับมามันก็เป็นการ แต่เป็นการเรียนชมมแบบสั้นๆระยะสั้นๆคุณแบมแบมครับการวาดรูปเรียนแบบภาพของคนอื่นแต่ไม่ได้ทําไปขายเก็บไว้เองเพื่อการศึกษาหรือให้คนในครอบครัวจะถือเป็นการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาผิดศีลไหมคะและอีกกรณีถ้าเราซื้อรูปเขามาแล้วจะทําได้ไหมครับอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขามีชมสมนิทศีลหรือเปล่า ถ้าเขาสมวัตถุิษย์เราก็ทําไปได้คุณสิริการครับถ้าทําบุญแทนกันได้ไหมคะเช่นทําบุญแทนลูกแทนสามีครับไม่ได้แล้วมงินไม่ต้องเป็นของใครของมันต้องเป็นทรัพย์ของของบุคคลนั้นถ้าเราทรัพย์ก็ถ้าสามีก็ฝากเงินไปทําบุญได้แต่ต้องเป็นทรพัคคนนรทรพาาาาย์อพของสามีถ้าลูกฝากเงินแม่ไปทําบุญก็ได้อยู่ แต่ต้องเป็นเงินของลูกแต่ถ้าเป็นเงินของแม่แล้วไปทําให้ลูกทําให้สามีนี่ไม่ได้เพราะมันเป็นเงินของของแม่ของภรรยาแม่หรือภรรยาจะเป็นคนได้นคนเพียงคนเดียวคุณนิวตันครับอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าคนที่ไม่ได้บวชเป็นพระมีโอกาสนิพพานได้ไหมครับ ม, มีในอดีตสมายพวกพุทธการก็มีหลายคนที่บรรลุพ า, า น, นิพันธ์โดยที่ไม่ได้บวชกันแต่ก็ต้องปฏิบัตรริเะมืกับคนที่บวชเนอะโดยต้องมีศีลสมาธิปัญญาที่สามารถละสัมโยทั้งสิ้นได้ก็บรรลุพานิพานได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิง เ, เป็นชายก็นนั่งบวชแล้วเป็นคาลวะก็ตตาแต่ถ้ามีความสามารถที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อละสัมโยทั้งสิ้นได้ก็บรรลุพานิพานได้เท่ากัน เหมือนกันคุณมามากสีครับในหลายๆวัดนิยมบูชาเทาเวทสุวรรณจริงๆแล้วเทเวทสุวรรณมีอยู่จริงหรือไม่คะก็เป็นตำนานเป็นเป็นเทวนาที่มีการชื่อเวทวสุวรรณในความเชื่อจริงก็ไม่จริงก็ไม่เลยอาจารย์ครับถึงตอนนี้คำถามหมดครับ มีแต่คนส่วนใหญ่จะขอพอรพระอาจารย์แล้วก็แล้วก็ตั้งเป้าหมายของปีใหม่ให้ฟังครับรอาจารย์ครับก็นี่การตั้งเป้าหมายขอให้ตั้งอยู่ที่การปฏิบัติใช่ไหมปีนี้จะละอาวัยามุกปีนี้จะไม่ไม่เสพสุรายาเมาหรือยาเสพติดที่ทําให้เกิดอาการมึนเมาไม่เล่นการพ น, นันไม่เที่ยวแล้วเที่ยวให้น้อยลงอะไรทนี้ก็ให้ให้ตั้งอยู่ที่การกระทํา ตัให้ตั้งข้อมาวิธีการทำแล้วพยายามทําให้มันต่อเนื่องไม่ทำได้แค่วันสองวันแล้วก็ลืมลืมว่าเราได้ตั้งสัจจะไว้ว่าเราจะทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ทําแล้วต้องทําให้มันไปตลอดชีวิตเลยเพราะสิ่งเหอันนี้เมื่อเลิกเราต้องเลิกให้มันแบบเด็ดขาดไปเลยไม่ต้องกลับกลับไปทําอีกแต่ยืดประโยชน์อย่างเต็มที่มีคนต้องบอกที่พระอาจารย์บอกเลยครับว่าจะเลิกสุราเลิกยาเสพติด ในปีนี้ครับที่ได้รุนรายการของลา<ช>้าแล้วครับจะเลยตอนที่พูดว่าอัลเทอาเพื่อนมาชนเด็กก็เลยไปนะบางทีมันกินเลสมันฉลาดนะบอกว่าเก่งใจเพื่อ น, น, นเด็กก็จะเสียใจก็เลยตอนน้ตองก็เลยต้องยอมยอมยอมเลิกความตั้งใจนั้นไปมันจะล้มเหลวตรงนั้นนะ มีคำถามเข้ามาแล้วครับอาจารย์คะถึงแม้หนูจะผ่าสมองซ้ายขวาและใช้อุปกรณ์ระบายน้ําในสมองปัจจุบันหนูอ่านธรรมะจากพระอาจารย์ร่างกายพิการแต่สามารถลุยปฏิบัติงานได้หนูปฏิบัติทำถีถี่ร่างกายแข็งแรงไม่ได้ทานยานี่คือผลจากธรรมะโอสถเข้าใจถูกไหมเจ้าคะเพียงแต่อาจจะมีความรู้สึกเหมือนถูกกักขังเมื่อร่างกายสภาพนี้แต่ยังสู้ชีวิตต่อไปเจ้าคะ่ะรัศนีว่าจิตเรามีอยู่เบกขามาก เราไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความไม่ปกติของร่างกายเราสามารถที่จะใช้พลังจิตของเรานี้ไปทำงานที่เราต้องทำได้ก็ดีคุณรังสีครับกาบเรียนพระอาจารย์พระทำหนังสือธรรมะของตัวเองแล้วนำมาขายผิดศีลไหมครับไม่ผิดหรอกเพราะว่าการขายหนังสือนี่ค ก, ก็ไม่ได้เป็นการไปทำ ไปรักขโมย อ, อ, อะไรก็เป็นการค้าขายเพียงแต่ว่าไม่ได้ยบทำนั่นเองพระนี่ธรรมะนี่พระพุทธเจ้าท่านน่าขายนะพระพุทธเจ้าท่านทำตัวอย่างพระอาจารย์แสดงธรรมแต่ละครั้งนี้ท่านไม่เก็บเงินคนที่มาฟังในพระที่ทำหนังสือธรรมะแล้วไปขายมันก็ผิดผิดธรรมเนียมแต่ก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดสิท่าน คุณพงวิทครับถ้าเราอยากบวชเราพยายามฝึกฝนตนเองก่อนบวชอย่างไรบ้างครับก็ฝึกฝนอย่างพระเนี่ยพระท่านท่านถือศีลอะไรก็เราเราคงไปศึกษาศีลของพระหนึ่งพระท่านกไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าถือศีลสิบอย่างน้อยพระเนี่ยทุกโลกต้องต้องบวชเป็นเนรก่อนถึงจะบวชเป็นพระได้แล้วก็ลองอยู่แบบพระหน่ ถ้าไม่ดูหนังฟังเพลงไม่เริ่มหลับนอนกับใครไม่กินไม่เดือดหลังจากเที่ยววนไปแล้วไม่ไปถึงอาหารที่ปาาระดานจะเดือดแต่เพราะสิ่งที่อนุญาตเช่นนย่างน้ำผลมไม้อะไรต่างเหล่านี้นครับคุณจูเล่ครับขณะเราแปลงฟันเราสามารถสวดมนต์ในใจจะได้บุญไหมคะ ได้คือได้สติไงเป็นงานงือให้เราไปคิดถึงเรื่องนั้นเ่องนี้สติก็เป็นบูญหนึ่งอย่างบุญระดับสูงคุณมาริษาครับขอพรจากพระอาจารย์เรื่องธรรมโอสถเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกคนค่ะขอความเมตตาด้วยค่ะธรรมโอสดก็คือการใช้สติหรือใช้ปัญญาทำให้ใจสงบ ไม่รู้สึกเดือดร้อากับความเจ็บไข้ท้ายป่วยของร่างกายเป็นบางทีร่างกายเราป่วดแล้วถ้าเราไม่มีสติปรรัญญารับความความทุ่งสร้างความความอยากให้ความปวดหายไปใจก็จะทุกข์ทรมารเมื่อเราทนไม่ไหวแล้วก็เราไปกินยากแก่ปวดแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาที่สามารถรับความทุ่งสร้างรับความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปได้ คือใจอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายไ ด, ได้ก็ไม่ต้องไปกินยาเพราะมีธรรมะออสงคุณไทเกอร์ครับอิทธิปาฏิหาริย์หรือยานต่างๆสามารถมีได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องบรรลุธรรมใช่ไหมคะแล้วบางคนบรรลุโดยที่ไม่มีอิทธิปาฏิหารกก็มีใช่ไหมคะพอดีแม่เคยเล่าให้ฟังว่าทวดเวลานั่งสมาธิหรือสวดมนต์จะลอยได้นิดๆค่ะ คือเรื่องของเรื่องของอิทธิปฏิหารดุยานต่างๆนี้มันเกิดในในทำในระดับขั้นสมาธิไม่ใช่ระดับบรรลุธรรมการจะบรรลุธรรมนี้ต้องไปขั้นปัญญาถึงจะบรรลุได้ยาในใครก็ตามทีฝึกสมาธินี้บางคนนะเฉพาะบางคนนี้อาจจะมีความสามารถที่มีอภิญยามีอิทธิอิทธิปฏิหารในบางบางเรื่องบางอย่าง บางคนก็เรารึกชาติได้บางคนก็อ่านความทิดของคนอื่นได้บางคนก็ติดต่อกับเทวดาได้อันนี้เป็นเป็นความความสามารถระดับสมาธิไม่ใช่เป็นการบารรลุธรรมวนคนบางคนนี้มีสมาธิแต่ไม่มีความสามารถที่จะเข้าถึงที่ลิขิตปฏิหารต่างๆได้แต่สามารถบรรลุธรรมได้ก็ ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคนที่บังคัรรลุธรรมส่วนใหญ่นี้เราไม่เข้าถึงทีวิปปัตถยามีคําถามในขับเฮ้าส์ครับอาจารย์บอกว่าสวดมนต์ตามบทสวดใน youtube จะได้บุญไหมคะออกเสียงถูกบ้างผิดบ้างจะเป็นอะไรไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราได้ความสงบจะไม่ได้ความสงบนะถ้าได้ความสงบมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งความสุขใจความสุขใจที่ได้จากความสงบ จะได้มากได้น้อยก็จะก็ไ ด, ได้ได้บุญมากได้บุญ น, น้อยสงบมากบน้อยก็อยู่ที่ก็จะได้บุญมากเหมุญ น, น้อยการสวดมนตเพื่อทำใจให้เราสงบใจให้เราสงบแล้วก็มีความสุขความสุขนี้ก็แล้ว่าบุญความสุขใจคุณเข็มจีลาครับเวลาคุณแม่ไปทำบุญมักจะบอกว่าอนุโมทนาด้วยกันนะแม่มาทำบุญที่วัดเช่นนี้หนูจะได้บุญด้วยหรือเปล่าคะ เอาหมายความว่ลวงอนโมทนาก็คือยินดีกับการทําความดีของคนเลยอย่าไปขัดขวางเขาแม่โมเดียแม่อย่าไปทําบุญแมาแม่อย่าไปเลยแม่จะถูกหลอกอย่างเงี้ยเรียกว่าแม่อนุโมทนาบุนะฮะถ้ารู้ว่าแม่ไปทําบุญถ้าแม่มีความสุขแม่ได้บุญก็สาธุอย่าไปขัดขวางท่านคําว่าอนุโมทนานี่ก็คืออย่าไปขัดขวาง เราก็จะได้ความสุขตามเห็นแม่เป็นความสุขจากการทําบุญแล้วก็มีความสุขด้วยแต่ถ้าเราไปวิตกว่าแม่อาจจะถูกหลอกเานาะเราก็อาจจะทุกข์ทุกครั้งที่แม่จะไปทําบุญแทนที่เราจะมีความสุขก็เราก็เกิดความทุกใจขึ้นมาถ้าเราเกิดความทุกข์ใจนี้เราก็ต้องไปกับแม่ดูไปพิสูจน์ดูว่าแม่จะถูกหลอกจริงหรือเปล่าจะได้หาสงสัยคุณเล็กครับ จิตกับวิญญาณเป็นตัวเดียวกันไหมคะคือคําว่าวิญญาณนี้มันมีสองความหมายด้วยกันนะความหมายหนึ่งก็คือจิตเนี่ยเวลาที่ออกจากร่างแล้วเวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อจากจิตให้เป็นวิญญาณไปเช่นเราเรียกกันดวงวิญญาณและวิญญาณนี้หนึ่งความหมายก็คืออาการที่มีอยู่ในจิตความสามารถของจิตเองที่เรียกว่าวิญญาณในขันวิญญาณในขันห้า วิญญาณตอนนี้ทำหน้าที่เชื่อมจิตกับร่างกายเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับว่ากระแสวิทยุที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือสองเครื่องอเวลาคุณหมอจะใช้โทรศัพท์ติดต่อกับเครื่องหนึ่งหมอใช้เราเป็นเครื่องเชื่อมต่อกันใช้สัญญาณวิทยุใช่ไหมสัญญาณวิทยุเชื่อมต่อไันเครื่องจะได้คุยกันได้จะได้สื่อสารกันได้ใจจะสื่อสารกับร่างกายของเาสายวิญญาณ วิญญาณตอนนี้เยว่ามันเหมือนกระแสวิทยุกระแสของวิญญาณจะไปเกาที่ตาหูจมูมกเนื้องายเพื่อรับรู้เสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสกับตาหูจมูมกเนื้องายแล้วส่งมาที่ใจอีกทีใจจะรับรู้ว่าตอนนี้ร่างกายทําอะไรอยู่เห็นอะไรอยู่ได้ยินอะไรอยู่แต่ถ้าเกิดสัญญาไม่ไม่มีตัววิญญาณตอนนี้ใจก็จะไม่สามารถรับรู้ว่าอะไรที่เข้ามาทาร่างกายได้และวิญญาณมีสองความหมา คุณรักสยามครับปัจจุบันฝึกความรู้สึกตัวโดยเอานิ้วถูปลายนิ้วให้เกิดความรู้สึกตัวหากเผลอสติก็จะกลับไปรู้สึกที่ปลายนิ้วไม่ให้เผลอฝึกแบบนี้ได้ไหมครับก็ไม่ดู้เป็นการแล้วไม่เคยฝึกแบบนี้ัาก่อนเอให้เราควบคุมความคิดได้อยู่ความคิดได้แต่เวลานั่งสมาธิมันเราต้องนั่งแบบไม่ไม่มีการเคลื่อนไหวนถ้าเราใช้นิ้วมันก็ใช้ไม่ได้ตอนที่นั่งสมาธิ เราก็ต้องมาใช้การดูลงแล้วต่องใช้การบริการพูดโทรศัพทนแต่ตอนที่เรายังไม่ได้นั่งสมาธิถ้าเราใช้ใช้การจับนิ้วแล้วทําให้เรามีสติก็ลองทำไปก็ได้คุณแพทครับการบริจาคโดยแหกเงินจากบัญชีหรือบัตรเครดิตรายเดือนดีหรือไม่คะปลอดภัยหรือไม่คะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไอ้ข้อเป็นเรื่องของทาง ทางทางทางโลกทางที่เขาทำกันนะว่า ม, มีการหลอกลวงหรือเปล่าหรือว่ามการอะไรหรื่าก็เป็นเรื้องเหมือนกันแต่ถ้าผู้ตามหลักแล้วมันก็ใช้ได้ขอให้เราล้วนเราได้บอยจากกันนี้ไปทุกครั้งที่เราดูยอดกันมันลดหายไปมันแสดงว่าเราได้บอยจากมันไปแล้วมันก็ทำให้เาเกิดความสุขใจขึ้นมาอาจารย์ครับขออีกสองคำถามนะครับ คุณจินดาครับแม่และครอบครัวยึดติดกับการไหว้เจ้าดูดวงทําอะไรต้องดูดวงกับหมอดูหรือร่างทรงส่วนตัวเรามาศึกษาธรรมะแล้วเลยเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกแต่อธิบายอย่างไรที่บ้านก็ไม่เข้าใจและบังคับให้เราทําตามต้องทําอย่างไรครับก็เราต้องยอมรับว่าถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็อย่าไปอย่าไปบังคับเขาเลยส่วนเวลาเขาทําะลรเขาอยากให้เราทําด้วยเราก็ทําไปเพื่อไม่ให้เสีย เสียความสามัคคีก็ทำไปโดยเพื่อรักษาความเป็นเนี่ยเป็นเป็นมิตรหรือเป็นเป็นอะไรที่ดีต่อกันแต่เราถ้าเราไม่เชื่อเกาไม่มีปัญหาอะไรทำไปเฉพาะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นกิริยาทนั้นเองครับคำาสุดท้ายครับ คุณแคทบอกว่าการไปตั้งแคมป์ตามป่าเขาเพื่ออยู่กับธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์เพราะอยากไปสัมผัสความสงบถือว่าเป็นความอยากที่ผิดไหมคะมันก็ไม่ผิดหรอกถ้ า, าต้องก า, ค า, มมนะาราความสงบะเพราะว่าเราความสงบที่ได้จากธรรมชาตินี่มันเป็นความสง บ, บที่เราสามารถที่จะหาได้ง่ายกว่าความสง บ, บที่เราจะได้จากสิ่ ง, งตา่างๆที่มนุษย์เราผลิตขึ้นมาเช่นสถานบันเทิงทนั้น ที่อะไรรูปเสียงิีร้อนต่างๆครับอาจารย์ครับเขาออกาสครับวันนี้มีเพื่อนๆใน Facebook ฟังทมด้วยกันหก8้อยสี่สิบแปดคนใน y o u ู u เก้าร้อยสองคนในครับเฮายี่สิบสาคนวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่พร้อมกันตอนนี้หนึ่งพันห้าร้อยเจ็สิบาคนครับอาจารย์ครับก็ขอความแสดงความยินดีกับท่านทั้งหลายที่มีความสนใจใฝ่ทพราะว่าการ ไรรมนี้ก็จะทำให้เราได้พบกับรถแห่งธรรมทียน้ารถ ท, ทั้ทงปวงคือรถของวิมุตติรถของการหุดพ้นจากความทุกข์ตามลำดับต่อไปการแสดงการสัตยธรรมจำหนับเกนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปไปพิจิพิพิจารณาไปปฏิบัติเพอการสุขกาจรจะิญก้าวหน้า ล, ลุกเวียงทียตา ม, มาต่อไป สาธุครับก็คิดว่าหมดเวลาอาจจะขอลาคุณหมอไปเพียงตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรขัดข้ามก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิหน้าเช่นเดียก็ขอบคุณพานธ์ใจเขาไว้พอปีใหม่นะครัอทุกคนดูความสุดความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ให้สำการปรารถนาในสิ่งนั้นเถิด สาธุขอบคุณครับ